จเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้วันพฤหัสบดีที่27 27พฤศจิกายน2 5็ดแล้วนกะ็ใกล้จะหมดเข้าไปแล้วพฤศจิกาจะขึ้นทันวาเดินสุดท้ายแล้วนะ เดือนสุดท้ายเดือนธันวาของปีของชาวสุขเราเนี่จะมีงานาจะมีงานก็จะเริ่มต้นงานที่ว่านี่คือจะเริ่มต้นรับสมัครนิสิตไม่ใช่นิสิตนักศึกษาเพราะว่าบบ บ, บไม่ใช่นิสิตไม่ได้มานั่งเรียนประจำเหมือนวอนอบออจะรับสมัครนักศึกษา วิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุนนิยมบอบอบอบบบ บ, บเราก็มีอันนี้เป็นประจำอยู่ของเราอันนึง่งเราได้ว่างเว้นไปปีงจัดไม่ได้เหตุการณ์บ้านเมืองก็ทําให้เราต้องออกไปร่วมช่วยบ้านเมืองไปชุมนุมประท่วอยู่กลาง ถนนราชจะดำเนินนะแล้วก็เลยมาทำไม่ได้สอบกันไม่ได้ทำงานกันไม่ได้นะก็ผ่านเป็นปีหนึ่งละปีนี้ก็จะเอาละจะเป็นละเพราะว่าเรากลับมาแล้วจากงานโนนะก็บอกให้ทราบกันนะเดี๋ยวต้นเดือนธันวาก็เริ่มสมัครได้ สมัครที่ว่าเนี่ยคือสมัครเข้าไปสอบสมัครไปถึงวันที่25ทาธันวาหนึธันวาถึง25ทาธันวาเป็นวันรับสมัครเราก็ไปสมัครกันได้วันที่25้าธันวาปิดรับสมัครเริ่มวันที่28ก็เป็นการเริ่มละนะนิสิตก็เริ่มต้นละโดยวัน ที่28 29 30 31สวันก็จะเป็นวันของการบาเพ็ญคุณบาเพ็ญคุณวันที่ 1, 2, 3สองสอีกสมวันก็เป็นการบําเพ็ญธรรมเป็น7วันด้วยกันนี่คือการสอบของเรามีทั้งบําเพ็ญคุณบําเพ็ญธรรมตอบทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติ สอบทั้งมีปริญญาตปฏิบัติเ่าะงสี่วันแรกก็เป็นการปฏิบัติสมวันหลังก็ตอบปริญญาตอบที่เป็นความรู้ความเห็ น, นเป็นการบอกกันมาออกมาเฉยเฉยเป็นบัญญัติเจ็ดวั น, นเราสอบกันเจวันของบอบ บ, อ บ, อบอของเราเนี่ยนั่งเพราะงานก็ขอ ก, กล่าวให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รู้เลยทราบบ้างผู้ที่รู้แล้วก็ทบทวนนะวิทยาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมหรือว่าตัวยอ่วอววบบบเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สตัวยอ่วอวตัวแรกนั้นคือวิชาลัยนะส่วนบแรกนะบตัวที่หนึ่งก็คือบรรดาหรือประดาเนี่ยนะประดาบรรดา ท่านทั้งหลายทั้งปวงน่ยคนทั้งหลายทั้งปวงส่วนบอที่สองก็คือบัณฑิตมาบอแรกบรรดาบ่อสองบัณฑิตนะก็จํากัดความว่าเป็นบัณฑิตบุญนิยมเพราะฉะนั้นบอที่สก็คือบุญนิยมนั่นเองบ่อหนึ่งบรรดาบ่อสองบัณฑิตบอสาบุญนิยมบรรดาเราก็คือเราคือว่าบรรดาเนี่ยบรรดาคนต่างๆเราไม่ได้จํากัดว่าเป็นใครแม้แต่ศาสนาอื่นนะ คนศาสนาอื่นอยากจะเข้ามาร่วมมุมเพนมาสอบมาอะไรด้วยได้อาจจะเข้ามาสอบ่าเป็นบัณฑิตอันนี้ก็ได้มันเป็นการทดสอบการศึกษาทดสอบสร้างให้เกิดภาวะบัณฑิตที่แท้จริงแก่คนนะเราก็มีใบรับรองที่เขาเรียกกันทั่วไปว่าปริญญาบัตรหรือว่าประ ก, กาศนียบัตรนั่นแหละเขาเรียกกันใบรับรองกันแต่ของเราจะเรียกว่าปัญญาบัตรเราไม่เรียกปริญญาบัตร หรือว่าประกาศนิยบัตรเราไม่ได้เรียกอันนั้นเราเรียกปัญญาบัตรและเราจะมีบัตรประจํารุ่นอีกอผู้ใดสอบได้แต่ละรุ่นก็เข้ารุ่นไปรุ่น1รุ่น2รุ่น3ารุ่นสตอนนี้จะเป็นรุ่นสาที่นี้มีสําคัญก็คือจะมีเข็มตราพระธรรมเข็มตราพระธรรมอันนี้ถือว่าเป็นบัณฑิตเลยมีเข็มเนี่ยติดจะติด เมื่อไหรก็ได้ก็ได้ไปแล้วจะเอามาติดบางคนก็เอาไปค้อยคอเลยบางคนก็ติดติดบางคนก็ไม่ติดเก็บบางคนก็เอามาคืนเ <c oughs> พราะมันเป็นทองคาแท้ <c oughs> บอกว่าแหมกลัวหายนะรักษาไม่ไหวทองคำมันหนักเกือบบาทเนี่ยมันหนักถึง 13.27 กรัมสิบสากรัมนะ บาทหนึ่งมันมี15กรัมบาทหนึ่งมี15กรัมนี่มัน 13.27 กรัมเกือบบาทเนะนี่เข็มนี้นะไม่ใช่ทองชุบนะทองแท้นะทองแท้เกือบบาทนะเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วซึ่อสองหมื่นไหมบาทนึงห <18, S 2> มื่0แปมนลงไปแต่ ก, ก่อนนี่สอง0 0มนห้าเคยขึ้นถึงนะ อตอนนั้นโอ้เราตอนนั้นแหละตอนราคาแพงๆนั่นแหละของเราโหบาทละสองหมื่ห้าเราก็โหกัดฟันสู้ทำออกมาร้อยสองร้อยเข็มโอโหร้อยสองรอร้อยสองรอบาทเพราะว่าร้อยห้าสิบสองห้าร้อยห้าสิบสี่แล้วก็ทั้เพือมีมีอีกซึ่งมันมี ระเบียบการเยอะนาตะไคร้สนใจวันนี้คงไม่ได้พูดถึงระเบียบการละเอียดถึงขั้นว่าอ้ารุ่นสองรุ่นสามจะสอบได้อีกสอบใบที่หนึ่งนะปัญญาปัญญาบัตรใบที่หนึ่งปัญญาบัตรใบที่สองปัญญาบัตรใบที่สามมีสิทธิ์ได้ถึงปัญญาบัตรใบที่สี่จริงๆไม่ได้ปัญญาบัตรถึงสี่ใบเราจะได้ปัญญาบัตรสองใบใบที่หนึ่งกับใบที่สี่แต่เข็มตราพระธทับจะได้ถึงสี่เข็มนะจะได้ถึงสี่เข็มนะ แล้วยังมีแถมเสื้อนะแล้วยังมีเสื้ออีกเสื้อก็เอาไปก็ไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าบางทีมันก็มันร้อนน่ยเป็นเสื้อมันเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเป็นเสื้ออะไรไประดับที่มันก็จะมันร้อนๆหน่อยมันจะเก็บคำร้อนพอสมควรก็ถ้าเผื่อว่ามันจะทำเป็นเสื้อนิ่งๆโปรโลโรมันก็ดูไม่มีค่าเนาะ แล้วก็เลยยังคิดยากอยู่เนี่ยตอนนี้ก็เลยพยายามออกแบบใหม่คราวนี้ออกแบบใหม่ให้เป็นดูว่ามันก็มีท่าดีเป็นเสือ้อเอามาให้ดูแล้วก็คล้ายๆาคือเสือ้อคอตั้งนะแต่ว่าอาตจะมาเอาคอเชิดนั่นก็คอตั้งมันจะดูเอาเชิดดีกว่าคนะอตั้งมันดูเป็นมันมันมันเหมือนเสื้อพระจรพรรดิอะไรนี่มัน ดูอะไรไปก็เลยบอกเอาเชยกันแล้วกันให้ทํามาดูกันเอาผ้าดีๆกันแล้วกั น, นจะได้ใช้ง่ายคือนื้ว่าผ้าเอาผ้าดีๆที่ใช้ได้ทั่วๆไปหน่อยอย่าไปผ้าที่โอโหใส่เข้าไปแล้วแหมมันหน้าหนาวต้องใส่หน้าหนาวเท่านั้นอะไรงี้มันกน็ใส่เวลาอื่นทั่วไปก็ได้อะไรอย่งนี้ลองลองดู ง, งั้นไม่งั้นก็ไม่เคยได้ใช้กันไม่เคยได้ใส่กั น, นอัตมาทำอันนี่ขึ้นมาเพื่อสร้างคน สร้างคนให้พัฒนาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่เรียกว่าอาริยะเนี่ยในความเจริญก็มุงม่งหมายเป็นระดับโลกุตระซึ่งเป็นชีวิตที่พ้นทุกข์ลดทุกข์ได้นะลดได้จริงแล้วก็เป็นคนดีของสังคมคนที่ลดกิเลสได้จริงนี่เป็นเครื่องรับประกันจริงว่าเป็นคนดีของสังคมแต่กิเลสไม่ลดเนี่ยรับประกันไม่ได้หรอกคนกิเลสไม่ลดแล้วก็บอกว่าจะทำดีเนี่ย ไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนรับประกันไม่ได้ถ้าลดกิเลสแล้วก็ลดกิเลสได้จริงรับประกันได้เพราะเป็นคนที่ไม่ทําลายสังคมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมก็ลดไปเรื่อยๆลดน้อยลงก็เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมน้อยลงน้อยลงเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมเลยอันนี้เป็นสัจจะทฤษฎีของรูปเจ้าอันนี้สัจจะแท้เลยถ้าลดกิเลสแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อัตมาตถือว่าเป็นเรื่องเบลอเธอเป็นเรื่องมหึมาและเรื่องใหญ่มากของมนุษย์ของสังคมเรื่องลดกิเลสนี่อัตมาตเห็นอย่างนั้นจริงๆและอัตมาตก็ยังมั่นใจว่าทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเนี่ยลดกิเลสเนี่ยลดได้รจริงทฤษฎีอื่นอัตมาตก็พอรู้ตามปัญญาของอัตมาตที่จะพอมีความรู้ อาตมาก็ว่ายังไม่ค่อยชัดเท่าของพระพุทธเจ้าเพราะของพระพุทธเจ้านี้โอ้โหกล่าวถึงเนื้อหาของจิตเนื้อหาของเจตสิกต่างๆอาการของจิตต่างๆึ่งอาตมาปฏิบัติแล้วรู้เห็นจริงของจริงจึงมั่นใจว่าอันนี้ละเอียดแม้แต่ทุกวันนี้อาตมาก็ยังรู้ไม่หมดในพยัญชนะที่เรียก รายชื่อจิตเจตสิกต่างๆที่ละเอียดกว่าที่บันทึกกันไว้แค่ว่าเจตสิก52นะจิต89 121อย่างพิสดารอะไรเนี่ยยังมีกว่านั้นอีกเยอะแยะมากมายนะหรือรูปมีทั้ง28ก็เป็นรูปที่สรุปมารูปมีตั้ง 80,000 80,000 9 0เยอะแยะลนะักษณะของสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปเนี่ยนะ อาตมาก็ค่ อ, อธิบายไปว่ารูป ก, ก็หยิบแต่เป็นหลักรูป28นั่นก็เป็นหลักก็นำมาอธิบายเป็นหลักที่จะใช้อธิบายไปเรื่อยๆเรื่องนามทั้งเจตสิกทั้งจิตต่างๆเจตสิกห้าสิจิตแปหรือ1้อเนี่ยก็ทั้งนั้นเลยที่เป็นหลักๆแต่ารายละเอียดยังมีอีกมากกว่านั้นมากจิตก็ตามเจตสิกก็ตามรูปก็ตามเยอะแยะไม่ได้มีแค่นี้ ในความหมายของตัวเองเข้าไปในโอโหมากมายนะเอาละได้ค่อยอธิบายมันงั้นมันก็จะพูดถึงเรื่องนี้มันจะฟันเฟือนะเอาเรื่องของบอบอบอ บ, อบอนี้ไปให้จบก่อนนะแล้วค่อยขยายความ <c oughs> วิทยาลัยบรรดาบัณฑิตบุญยมเนี่ยนะที่เราทำเนี่ยเราถือว่าเป็นการเรียนอย่างอิสระการเรียนอย่างอิสระนะ เป็นการเรียนที่บรรยายก็บรรยายทางโทรทัศน์แต่ก่อนนี้อาตมายังไม่ได้มีออบอนบอก็เลยไม่ดูไม่เป็นกิจจลักษณะเท่าไหร่ตอนนี้มีวอนอบอแล้วก็เลยใช้ออบอนบออธิบายเป็นกิจจลักษณะแล้วเพราะกั้นใครติดตามฟังใครติดตามเรียนเรียได้ทุกวันนะโดยเฉพาะวันเวลาหโมงเย็นถึงสองทุ่นิประจำ นอกนั้นก็ยังมีรีรันต่า ง, า ง, างอีกอยู่อีกเยอะแม้แต่คนอื่นบรรยายมันก็คือธรรมะโลกุตระของพวกเราก็ศึกษาได้จากสื่อสารนี้เราก็เลยมีรายการมีทางสื่อสารทางนี้แหละให้เรียนเรียนทางอากาศของเราทันสมัยมากเรียนอย่างอิสระตอนนั้นอัตมาก็ทำโทรทัศน์ก่อนที่จะมีวร์บอก็เป็นรายการเรียนอิสระวงเล็บตามสานึกเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องละ พาวะวีวอนด์บอแล้วก็มีอะไรอื่นๆ อ, อ, อีกได้เลยนะวันเดียรอิสระตามสํานึกแลว้วแบบมันเป็นความสํานึกเองมุ่งมั่นเองเป็ น, นอินอนสระอย่างสูงมากนะถ่ายทอดไปทางอาการไปทางโทรทัศน์แต่ก่อนนี้มีวิทยุ ด, ด้วยตอนนี้วิทยุขสชท่านยังไม่ยอมให้ออกไปก็เอาเอาเอาท่าที่ได้ก็แค่นี้ก็ไม่เป็นไร ท, ทําเท่าที่ได้นะเพราะงั้นใครสํานึกเห็นว่าควรศึกษาก็ศึกษาเอา ถึงเวลาปีหนึ่งก็มาสอบทีมเปิดกว้างไม่กําหนดอายุเรียนได้ตั้งแต่อายุ7จ็ขวบขึ้นไป7จ็ดขวบแขวบไปจนถึง90้าสรยหนึ่งอะไรร้อยกว่าก็ไม่ว่ากันในพอจะมาศึกษามาสอบได้เอาเลยเรียกผู้มาเรียน น, นนั้นเราเรียกผู้มาเรียนนี้ว่ามาเป็นพวกมาเรียน บ, บ, บัณฑิตารามเรียกโกโกบัณฑิตารามเป็นการศึกษาที่พัฒนากายวาจาและเน้นที่ จิตที่ใจเลยสำคัญนะให้พัฒนาขึ้นให้ได้จิตใจนี่ปเป็นตัวหลักกิเลสมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วาจาไม่ได้อยู่ที่กายนอกนะมันอยู่ที่ภายนอกเท่านั้นมันอยู่ที่ใจนะต้องพยายามเพราะแม้แต่วาจากับกายถ้าเข้าใจแล้วมันก็มีใจเข้าร่วมเป็นตัวเหตุถ้าไม่มีจิตเข้าอยู่แล้วยอย่างคนที่ไม่มีจิตนี่นะนะีปาก มันทำวาจาออกมาไม่ได้หรอกวาจากรรมวัจีกรรมมันจะออกมาไม่ได้ถ้ามันไม่มีจิตอยู่ในร่างแล้วแม้จิตอยู่ในร่างถ้ามันไม่ทำงานของอของวัจีสังขารปรุงแต่งแล้วก็เปิดออกมาเป็นกรรมวจีกรรมก็ไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นมันจะ ม, นมีจากจิตหรือมโนทั้งนั้นมโนปุพังกามาธรรมนะทีนี้กฎเกณฑนะ์ก็อธิบายอีกนะ หลายคนก็อาจจะเลื่อนๆอัตมาก็เลื่อนๆแต่พอดีมีบันทึกอยู่นี่ก็เลยพอได้เป็นหลักฐานนะหลักการของเรานี่ผู้จะมาปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติกินมังสวิรัต์มาแล้ว5ปีนะกินมังสวิรัตมาแล้วหปีแล้วหปีที่ว่านี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแหมขาดหกตกปลนอะไรไม่ได้เลยนะต้องกินต่อเนื่องมาขาดไม่ได้เลย ขาดตรงไปนับใหม่ให้มัน5ปีขาดตรวไหนมันนับใหม่ห้าปีมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกมันจะขาดบ้างตนตรกโรนบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ได้ตั้งใจทํามาเงี้ยกินเ ม, มืองสมรัดมาได้สักมันรวมแล้วมันก็ทดทัวเฉลี่ยสัก2องในสนะที่เรากินมาหรือว่าได้สัก 70% ในการกินหปีอะไรเนี่ย ก็คือได้สักสามปีกว่าอย่างนี้ทัวแล้วอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าได้ขาดหกตกหล่นบ้างไม่เป็นไรไม่ได้เคร่งครัดแต่ถ้จนถึงขนาดว่าไม่ต้องต่อเนื่องทาไมต่อเนื่องขาดเมื่อไรโอมาเริ่มต้นหนึ่งไปถึงห้าขาดไม่ใช่ขาดก็ต่อไปแล้วการทําต่อขาดสักวันสองวันด้วยบางคนขาดไปเดือนเอามาต่อให้ได้รวมแล้วนับแล้วมันได้นะนับมาแ ต, แต่เริ่มต้นมานี่มันรวมๆได้ ที่ทำอยู่นี่มันถึงสักสปีได้นะก็ตีเอาตีทัวร์เอาอย่างนั้นนะนั่นคือการกินบังสวิรัตมีคนถามมาเหมือนกันอยากจะมาเข้ามาสอบเนี่ยโอ้เพิ่งมาทําเนี่ยยังไม่อยู่ในเกณฑ์ไม่ถึงหปีอ๋อไม่ถึงห้าปีก็ไม่ได้แต่ถ้ากินแล้วขาดหกตกหลนเฉลี่ยแล้วอย่างที่ว่านันนบแล้วมันได้สักประมาณ3ปีนะในห้าเนี่ยก็ได้สมัครได้นะ อีกอันหนึ่งต่อมาหนึ่งกินบังสวิรัติสองถศีลห้าถนะืศีลหได้พยายามทืศีลห้ามาแน่นอนคนทือศีลก็บอกบอ ก, บอกพร่องๆเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่ก็ควรจะต้องรู้ว่าตัวเองตั้งใจนะจั้งแต่ถือศีลห้าจริงๆพักเพียนจริงๆแล้วคนสามัญทั่วไปที่พูดที่เป็นกระยาในชนิดดีเนี่ยก็ไม่ได้ละเมอลกศีลห้าแม้แต่โกหกเขาก็ระบางไม่โกหกเขาไม่มีอบายยมุกนะอยากศีลก็ห้าเนี่คืออบายยมุก ไม่เป็นมัวเมาในเรื่องอ่องต่ำๆหยาบๆนะนอกจกนั้นก็ดูดีผัวเดียวมีเดียวนะไม่โกงไม่ข โ, โมยไม่เอาของเข้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ไปตั้งใจว่าถือศีลแต่ชีวิตเป็นอยู่ก็เยอะนะต้องตรวจสอบตัวเองดีๆว่าเ อ, อ, อยู่ในหลักเกณฑ์นี้ไหมถ้ามาอยู่ในหลักเกณฑ์นี้เราก็ต้องพยายามรู้ตัวแล้วก็ทําตัวให้ใหบริสุทธิ์ได้ ถ้ายิ่งเข้าใจถึงทฤษฎีวิธีการในการถือษีลแล้วมันจะต้องอ่านจิตแล้วจิตมันจะมีอาการของกิเลสแล้วก็ปฏิบัติเพื่อลดกิเลส น, นั่นและคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในชีวิตประจําวันนี่แหละนะจริงจริทฤษฎีของพระเจ้าเนี่เป็นทฤษฎีสากลเป็นทฤษฎีที่อิสระเสรีเป็นทฤษฎีที่ทําได้ไม่จํากัดสถานที่เวลาไม่จํากัดไม่ตีกรอบอะไรเลย เข้าใจให้ได้รับปฏิบัติได้เสมอเมื่อใดก็ได้งี้เป็นตน้นนะถือี่ห้าไปขั้นต่ำนะไม่ใช่ว่าทุศี่ห้านะคนทือี่แมาสมัครไม่ได้ไม่ใช่เราไปขั้นต่ำศิ้นแปดชิสิบอะไรมาได้ทั้งนั้นนะมาสมัครได้สอบได้สมไม่มีอบายมุนกนะผู้ที่ไม่มีอบายมุกนะก็คือเราจะต้องรู้ว่าไอาเ้เยอะเรื่องต่ตําๆจับๆ อภัยยมุกเช่นยังเร่องการพนั น, นยังเสพติดเหล้ายาปลาปิ้งอะไรอยู่สิ่งเสพติดแบบยาอะไรพวกนี้อยู่ยังหลงในเรื่องอะละเมิงละครการบันเทิงระเริงลมอะไรโอ้โหชิงชับที่ไหนไปที่นั่นบันเทิงที่ไหนไปที่นั่นกีฬาที่ไหนไปที่นั่น อ้ยังงี้เรียว่าอบายยมุก ค, คนก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เราาติดกีฬามากไม่ดูไม่ได้ตีห้าตีสองตีสามตีหนึ่งมาแข่งฉันต้องดูไม่ดูตายแน่อะไรนี่นี่คือติดอบายยมุกติดอบายยมุกแต่คนไม่เข้าใจวันนี้พวกนี้คืออบายยมุกแล้วก็หลงด้วยนะยกจ้องเชิดชูโอ้โหนะการลเล่นเร่งก็อแดนลงดาราอะไราโอ้โลหลงไหลเชิดชูกันข้างใครกันถึงขนาดนั้นน่าจะจอมอบายยมุกทั้งหลาย ตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าทุกวันนี้ในโลกเต็มไปด้วยอบายมุจักจ้านหรือโลภในลาบโลภในยศจักจ้านแล้วจะต้องทำรุนแรงั้งขั้นทุจริตนั่นอบายมุขแท้ๆเลยพยายามแสวงหาราบอย่างมีอบายมุขกอ็อย่างมีโลภจนทุจริตหรือทำร้ายพู้อื่นเบียดเบียนอื่นจนขั้นทุจริต อ, อย่างนี้ อบายยมกุกนรกใหญ่แล้วหรือติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดจัดจ้านโอ้ติดมาอย่างนี้ไม่ได้กินข้าวไม่ลงก็ตายเท่านั้นเองติดจังรสอย่างนี้ไม่ได้ไม่กินข้าวดีไม่ดีอารวาสเลยนั่นคืออบายยมกุกจิตหนักแล้วติดยึดหนักมาก ติดรูปติดรถติดกลิ่นติ ด, ต ด, ตดเสียงติดสัมผัส ต, ต่างๆนีกามงคลห้หรือถือดีถือตัวอัตตายิ่งใหญ่แมกถือดีมากถือยิ่งใหญ่มากข้าใครแตะไม่ได้ถือตัวถือดีใหญ่นี่ก็อบายยมกนี่ก็สิ่งที่ยากขั้นตน้นก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ยากพวกนี้ไม่ต้อง ไม่มีถ้าเรามีต้องละให้ได้ก่อน น, นี่คืออบายมุขต่อไปที่รายละเอียดของมันมีอีกว่าเราจะเริ่มารายละเอียด อ, อื่นๆมีอีกอาตมาก็คงจะขอผ่า น, นาเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ย5รับสมัครแล้วก็ ใครจะเข้าสู่พื้นที่พื้นที่ที่จะจัดการสอบอยู่ที่ราชธานีอโศกจงังหวัดอุบลราชธานีอำเภอวารินอธิบานราชราชธานีอโศกบันราชเมืองเรือบ้าดไม้เมืองหินบานดินเมืองน้ําบานงามเมืองพุทธบ้านวิสุทธนะิ์อมตะต่างประเสริฐเลอ ส, ลอ ส, ลอสมันตันเลยนะเรียกสูงส่ง เราก็เจ ต, ตน า, นาใครจะว่าไงมันไส ย, ยังไงก็ขออภัย <c oughs> ก็ทำไปโดยหลักเกณฑ์การศึกษาของเราก็รู้แล้วถ้าระ อ, อย่างเบื้องต้นเราก็เรียกสินเด่นเป็นงานชาญวิชาคือมีทั้งคุณธรรมและมีกระทั่งปฏิบัติการปฏิบัติงานสำคัญในเรื่องการงา น, นทำต้องให้เป็นทำงานกับสังคมทำงานในส่วนที่ต้องใช้ศีลธรรมใช้ความรู้ความสามารถทาอยู่กับหมู่เรียกว่าสิ์เด่นเป็นงาน การวิชาเพราะฉะนั้นความรู้ที่เรียนกันอย่างเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนในโรงเรียนนี่เป็นแต่ความรู้วิชาการเราก็เอาด้วยเราก็มีหลักเกณฑ์หลักสูตรของเราพอสมควรศินเด่นเป็นงานชานวิชาถ้าในระดับสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเราก็เรียกสินแข่งแก่งงานชนานาญวิชาทีนี้ในระดับของวบบ บ, บ, บนี่เราเอาสุดเลยเราศินเต็มเข้มงานสืบสารวิชา มิชาเนี่ยม่นจะมิช า, ามิชาสืบสารมิชาเลยพ่าถือว่าผู้ที่มาศึกษาอันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายสุดยอดสุดยอดให้เป็นอรหันต์กันเลยหรือว่าเรียนกันแล้วจะต้องได้เป็นอริยบุคคลเป็นโซดาสกาิทานาคาอารหันต์กันเลยเราเอาตรงนั้นเป็นหลักส่วนวิชาการที่จะเป็นเรื่องของวิชาการภาษาบัญญัต ปริยัติเหตุผลอะไรอะไรจะต้องจำต้องจดต้องอะไรได้เราก็ออกด้วยนะเราเป็นความรู้เน้นเป็นในทางธรรมเพราะเราจะไม่มีความรู้ทางโลกต้องสอบวิชานั้นวิชานี้นลโลกโลคเท่าก็เรียนกันไม่มีนะไม่มีเป็นวิชาทางธรรมเท่านั้นนะที่เราเรียนในอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องย่อ ย, ย, อยแต่อัตมาว่ามันเป็นเรื่องที่มันเจาะลึกนะมันใหญ่ นะมันลึกๆเพราะงั้นก็จะต้องมาทำความเข้าใจต้องมาศึกษาให้ดีนะสาหรับปีนี้จะต้องอ่านหนังสือค้าบุญฆ่นะาบุญคือบาปเนี่ยหนังสือเล่มนีนะ้ที่ออกใหม่ล่าสุดนะแล้วก็เอาใหม่ล่าสุดเรื่อยเป็นหลักฆ่นะาบุญคือบาปนะ นาสามร้อยกันน า, นาอ่านดีๆหลายคนอ่านแล้วก็าอาตมาก็ไม่อยากพูดอะไรแล้วก็ชมโอ้เขียนดียางหลายคนอ่านหลายเที่ย ว, วอ่านดีๆมันมีอะไรใหม่ๆมันมีอะไรที่ลึกซึ่งมันมีอะไรซับซ้อนหลายคนถ้าศึกษาติดตามธรรมะพุทธศาสนานี่มาเรื่อยๆหลายอย่างจะไข ดันั้นซื้อเล่มนี้จะเขว่าอ๋ออย่างนี้เองเหรออย่างนี้เองเหรอจะเข้าใจในรายละเอียดในละอย่างนะก็อ่านดูเอาอันนี้เป็นหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้นะความรู้ในเล่มอื่นๆไม่เอาด้วยนะเล่มอื่นก็เอาแต่เล่มนี้จะเป็นเรื่องหลักเรื่องใหม่ที่จะมีข้องใหม่เป็นหลักส่วนข้องเก่าที่มันซ้ําจากอันนี้หรือจากอั น, น ก, ก่อนก็นกนแน่ละมันก็ต้องควรรู้นะ ถือว่าอันนี้มันใหม่กว่าเพื่อนนะก็ต้องพยายามทำเอาอันนี้นะหนะ น, นังสือข้าบุญคือบาปนะใครสมัครก็ได้หนังสือเล่มนี้ท้งนั้นนอกจากว่าได้แล้วก็ไม่ต้องเอาไปก็ผู้ใดมีแล้วได้แล้วนะคนอยู่ใกล้อยู่ชิดหรือว่าคนที่ได้แล้วเขาจะได้ไปก่อนส่วนใครยังไม่ได้มาสมัครเราจะได้ทุกคนนะแจกให้ด้วยการศึกษาการสอบการเรียนใน นอกจากจะไม่จ่ายสิ่งต่างสักบาทแล้วยังให้นักศืกนี่ก็ให้ฟรีนะให้อะไรแต่ไรคาะอะไรแดไม่มีกระดาษดินสออะไรแต่ไรมาเรียนมาใช้เอาของที่นี่หมดเลยไม่ต้องห่วงนะเราทำเพื่อที่จะให้คนพยายามสนใจศึกษาเพราะธารมมาเห็นว่าสิ่งนี้มันสำคัญนะทีนี้เป็นสำคัญมาก เห็นอตาตมาเห็นว่าเป็นสําคัญมากจริงๆเพราะจะยังไงอตาตมาก็ลงทุนคนบอกว่ามัลงทุนอะไรทำทกระาษเอาทองคํามานี่มาล่อเอาทองคำม า, มาล่ออตาตม า, ต า, ม า, ตาว่าเป็นเครื่องหมายที่จะเป็นในมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งที่ยึดถือเพราะไม่ใช่เอามาล่อเป็นสิ่งยึดถือถ้าเขาได้แล้วมันก็คนที่ได้ไปแล้วเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้ติดใจอะไร ม, มาเขาเอามาคืนก็เยอะเนี เอามาคืนคนไม่เอาคืนก็ไม่มีปัญหาเลยอาตมาไม่ได้ไปทวงไปว่าอะไรนะมันเป็นสิ่งยึดถือมันก็ทําให้ทั้งจิตที่มันลึกซึ้งนะทีนี้ลึกซึ้งไปซ้อนถึงว่าถ้าเข้าใจแล้วยึดถือแล้วเนี่ยจนกระทั่งจิตไม่ยึดถือแต่ก็ต้องยึดถือนะยึดถือภาษาบาลีท่านมีคําีสองคำอาทานเป็นคํากลาง ออเป็นสามคำเสียอาทานเป็นคำกลางคำอีกคำหนึ่งที่ยึดถืออย่างมีกิเลสเรียกว่าอุปาทานพอผู้ที่จะทำให้เป็นประโยชน์ก็ต้องศึกษาเรียกว่าเริ่มสมาทานสุดท้ายก็จบด้วยสมาทานพระผู้ที่เป็นสมณะแล้วก็ใช้สมาทานยึดถือโดยอาศัยยึดถือโดยไม่มีกิเลสนะอาทาน็อคำกลางกลางอาทานนี้ อุปาทานก็ยึดถืออย่างมีกิเลสอย่างไม่ไม่พ้นอวิชชาพอเริ่มปฏิบัติก็ต้องเข้าใจแล้วก็ล้างไอ้สิ่งที่ไม่ยึดถือเรียกว่าเริ่มต้นแต่จะเป็นมรรคเรียกว่าสมาทานจบเป็นผลก็ยึดถืออย่างสมาทานตอนนี้ไม่ใช่มรรคแล้วยึดถืออย่างเป็นผลเพราะว่พ ร, อระรอะรหันตก็ยึดถืออะไรอะไรก็ยึดถืออย่างสมาทานทั้งนั้นนั่น เพราะผู้ใดที่สนใจก็มาได้มีคนถามมาว่าคนทั่วไปยังไม่มีคุณสมบัติถึงแม้ไม่มาสอบก็มาร่วมปฏิบัติได้จะมีการแบ่ ง, บงกลุม่มก็ไปขอเข้ากลุ่มได้เพียงแต่ไม่ได้ถูกคิดคะแนนเท่านั้นเองอนี่มีผู้ที่เสริมมาให้นายธรมาไม่ได้กล่าวก็เสริมมาให้เพราะว่าการจะศึกษากะรเรียนรู้ในใน เราเรียกอะไรเราเรียกฤดูการของบอบอบอบอฤดูการของ อ, อิชไลบรรดาบรดิบุญนิยมเจ็ดวันเนี่ยหรือจะมากก็เจ็ดวันไปก่อนก็ได้นะคนจะไปร่วมพิรุปฏิบัติจะไปร่วมเรียนแม้แต่จะร่วมสอบบางยังได้เลยแต่คุณไม่ได้คิดคะแนนด้วยเท่านั้นเองุณไม่มีคุณสมบัติตามที่พูดไปแล้ว ก็มีสีหน้าตรงกินมังสวิรัติตรงมีสีหน้าตรงไม่มีอบายยมุกอะไรพวกนี้ยังไม่มีคุณสมบัติพอหอายคนจะมีคุณสมบัติอยู่แล้วเช่นไม่มีอบายยมุกเก่เานะแต่ว่าสีหน้าก็อาจจะมีได้ก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินมังสวิรัตมาถึง5ปีนั่นก็เป็นเงื่อนไขอันนี้แหละอันนี้เราเยอะไม่ได้กินมังสวิรัตมาได้ประมาณสัก3ปีหรือ5ปีแต่มันตรงๆลนๆอะไรนี่เนื้อหาอธิบายไปแล้ว ไม่ได้ทาอันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องคัดกรองหน่อยหนึ่งนะนอกจานั้นก็จะมีเยอะคุณยังไม่มีคุณสมบัติบางกันเถอะยังไม่ถึงจะมาสอบมาร่วมศึกษามาได้ได้ทีีต้อนรับที่นี้ต้อนรับนะไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดประโยชน์ร่วมมาร่วมประโยชน์ได้เลยจะศึกษาจะไรเราได้เรียกนะว่าเป็นผู้ที่สนใจอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาด้วยซ้ําไปเชิญเลยนะทีนี้ มันมีรายละเอียดก็ขอพูดลัดๆหน่อยเถอะนะของเรานสี่ปีถ้าสปีแล้วหมดสิทธิ์ที่จะถ้าได้ได้ทั้ง4ปีซ้อนในเข็มสี่เข็มแล้วถือว่าเป็นบูนบัณฑิตเรียกบบบบูนบัณฑิตสามบอเหมือนกันบูนสมบูรณ์เต็มบุญบัณฑิตเต็มเลยเต็มบุญเต็มบัณฑิตบบบบูนบัณฑิตนั่นเรียกว่า ผู้ที่จบแล้วถือยกไว้ว่าเป็นนักบุญบัณฑิตละเราไม่เรียกนักบุญนะเราเรียกบุญบัณฑิตเป็นผู้จบบุญละเต็มบุญละบุญบัณฑิตบ่บอ บ, อบอ่ได้ปัญญาบัตรสองใบได้ไนื้ใบที่หนึ่งกับใบที่สี่ส่วนเข็มจะได้สีเข็มจะได้สแต่ปัญญาบัตรนี่จะได้สองใบใบที่หนึ่งกับใบที่สอง ป, 4, ปีที่สเข้มที่4นีะ่ได้เข้มที่4ก็จะได้ปัญญาบัตรด้วยนะคุณจะมาสมัครซ้อนจะมาสมัครปีนั้นปีนี้จะมีร า, รายละเอียดซับซ้อนอยู่ก็ค่อยมาศึกษาอัจมาคงอธิบายไม่ไว้มันซับซ้อนมันจะมีในยะลึกนะแล้วก็มีระยะว่าบอกไว้ก่อนคืออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ละปีนี้เราจะกําหนดมันจะมีอยู่สองลักษณะ จะมีนแนกหนึ่งเรียกว่านแผนกวิทยา ว, ยวรอร์แวนซาเีชอชางยอ ย, ย, ย, ย, ย, ยิงก์กระรันวิทแปลว่าพวกที่มีการศึกษาได้บัณฑิตมาจบปริญาตรีขึ้นไปจัดอยู่ใ น, นแนกวิทแล้ก็พวกชานไม่จบปริญญาเป็นพวกที่ทั่วไปเร้ว่าฌาน พวกฌานพวกวิพวกฌานทสอายอยิงนี่แหล ะ, ะแผนกวิทย์แผนกฌานพวกนี้มีความชมนานาญถือว่าเป็นพวกไม่ใช่พวกวิชาวความรู้ไม่ใช่ น, นหนูนอนหนูนฌานนั่ น, นะความรู้อันนี้ฌชช า, า น, นชำนาญนะเพราะงั้นก็มีสองแต่ล ะ, ะแผนกนี้เราจํากัดแต่ละปีจะได้เข็มแค่แผนกละ 7% จ เราเนี่ยจะไปไม่ใช่ยึดมัน่นถึอมั่นหรอกเราเอาตัวเลขสวยๆเจ็ดเเพราะว่าเตัวเลขเจ็ดนี่มันสวยๆ ส, สำหรับอาตมานะเพราะอาตมามันปางเจ็ดนะก็77็ดสิบภาควิทย์ก็77็ดสิบเภาคฌานก็77จึงเป็นรนะ้อยาจึงเป็น154คนนะเป็น154คนที่จะได้เข็ม แม้สอบแล้วคะแนนได้เกินสอบได้ดเช่นห้นาสิบตัดสิบตัดหกิมันเกินอ่มันเกินก็สอบได้แต่มันเกินร5อห้าี่คนอดได้คนเกินจำนวนไล่ไปตามคะแนนคะแนนที่น้อยกว่าเขาต้องตัดออกจำกัดอยู่แค่ร0 0ปีละ 154คนที่สอบได้ปีละเท่านั้นนะเอาหลักบรรายละเอียดมันจะมีอีกเยอะส่วนคนจะมาเอาเข็มที่สองเราไม่ถือว่าจะมาต้องมาแย่งโคต้า154นะเราจัดไว้ให้ต่างหากแข่งตัวเองแล้วคะแนนจะเพิ่มขึ้นต้อง70ขึ้นไปต้อง80ขึ้นไปปีที่3 80ขึ้นไปปีที่สี่ต้อง90ขึ้นไปอะไรเนี้ยเรามีรายละเอียดพวกนี้ก็ขอผ่าน จะไม่อธิบายในทีนี้วันนี้พูดคร่าวๆฟังเท่นั้นนะนี่คือเรื่องของบัณฑ์วิชารามนะจะเรียกมหาวิชารามก็ได้นะวิชารามบรรดาบัณฑิตบุญยมหรือบอบอบบบบสาบอบางคนก็เรียกบสามบนะฟังบสามบแล้วมันก็ดูรู้รว่ามันยังไงไม่รู้อ่า <c oughs> นะ อ้าเอาละนะั่นเรื่องของอิชาบิชารามเรื่องของบอบาางงบอ บ, อ, บ, อ, บ อ, นะอัตมายังไม่ได้เกินไม่ได้พูดเลยจะหมดเดือนพฤศจิกาแล้วนะเริ่มต้นวันที่หนึ่งก็เริ่มสมัครได้แล้วนะเริ่มสมัครได้แล้วสมัครได้ทั้งที่จะมาสมัครที่ทุกพุทธสถานเจ็แห่งของเราในพุทธสถาน9้าแห่งอัตมาไม่ไล่แล้วพุทธสถานในมั่ง หรือจะสมัครทางทางเทคโนโลยีอะทางเน็ตทางอะไรเนี่ยก็ได้นะเขามีอาจมาไม่ไม่ไม่ไ ม, ม, มีรหัสไม่มีอะไรมาเนี่ก็เลยยังบอกไม่ได้จะเอาทางเว็บทางอะไรก็ได้นะ่โหลดเอาจากเว็บก็ได้ใบสมัครนะทางประชันีก็สมัครมาได้นะหรือพุทธทาน9แห่งอนะ่มันพุทธทานเรามันมีอยู่ที่จริงพุทธทานมีเจ สังกัไทยมีอีกสองมันเป็น9นะนี่คือรายละเอียดที่พอพูดไปเขา ง, งหมดแล้วเขาไม่ตกหล่นนะรายละเอียดมีอีกก็สนใจก็โทรมาถามเนะจ้าหน้าที่หรือผู้รู้ท่านจะอธิบายให้โดยเฉพาะโทรไปที่ราชธานีอโศกนะท่านฟ้าไทยนะหรือว่าสมณะหลายรูปที่นั่นท่านช่วยทำอยู่เป็นหลักนะได้นะสำหรับอาตมาก็บางทีก็จาอะไรไม่ค่าจะได้หมดหรอก อะอะไรเพิ่มเติมอันนี้ใบสมัครนะเอาใบาสมัครมาให้นกะับใบสมัครเนี่ยครั้งที่สาก็ทําำเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้แล้วก็จะได้ใช้อทําไมที่ผิดเป็นอําเภออะไรอำเภอบุงไหมหรือเปล่าอำเภอบุงไมยังไม่ได้เป็นอําเภอบุงไมก็ไปแค่ตาํนะตาบลตําบลบุงไมอําเภอวาริน ไม่ใช่ตำบลไม่ใช่อําเภอบุงไหมเอานี้แก้เป็นอํเภ อ, เอบุงไหมจริงๆด้วยอบุงไมอําเภอวารินตํบลบุงไหมจังหวัดตํบนบุงไห ม, บบงไ ห, มหมู่บ้านราชธานีโศกจะจะให้หมดถ้าบอกอําเภอก็ อ, อําเภอวารินชําราบเขามีชื่อเต็มว่าวารินชําราบชําราบเนี่ยแปลว่าซับซึมซับมีน้ํำซับวารินแปลว่านา้ำวารินชําราบก็มือ เมืองที่มีน้ำํำซับมีตลอดปีตลอดชาติเดี๋ยวนี้ก็น้ําเยอะน้ําดีทุกวันนี้เราก็กินก็ใช้น้ําซับนะเอาที่บรรดาดน้ําท่วมแต่ที่อื่นก็ไม่ท่วมที่เขาสูงเขาไม่ท่วมแต่บรรดาดไปเลือกเอาที่น้ําท่วมนะมันบุญเราไปได้อย่างนั้นไงบรารมีเรามีแค่นั้นก็ออกแค่นั้นนะฮะอ้าว阿拉ที่นี้เข้าสู่รายการว่าเขาไปยาวพอสมควรนะ ถ้าเรายการวันนี้ก็ตอนท้ายๆรายการอาตมาก็จะให้โทรเข้ามาจากทางบ้านเหมือนเดิมขณะนี้เวลาหนึ่งอ่านี่การมองเวลานาฬิกาอาตมามีเป็นเวลานาฬิกาที่มีเสียงก็จะคานบอกทุกชั่วโมงเนี่ยนาฬิกากเรือนนาฬิกาคนตาบอด <c oughs> มองไม่เห็นต้มีเสียงเตือนมีเสียงได้ยิ น, นกดฟังเมื่อไหร่จะรู้ว่นนากี่นาทีก็กดได้เขาตอบได้เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขาอย่างนั้นนะ 9 10เอ้ย19นาฬิกาและทุ่มหนึ่งแหละนะ้ผู้ที่จะส่งประเด็นมาเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมเบอร์เดียวใช่ไหม0851790297อันเดียวใช่ไหมอ่าถ้าอันเดียวก็ อ, อันนี้นาบอกอีกทีหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งมาท่านเขาขึ้นทางจอแล้วน085ใช่ไหม โอ้อัตมามองไม่เห็นหลอกเนี่ยแม่ดูถูกอัตมาจังเลยดูถูกว่าอัตมาจะมองเห็นเหรอมันดูไม่ถูกหรอกอัตมามองไม่เห็นคุณดูถูกจังเลยเนี่ยดูถูกว่าอัตมาจะมองเห็นนหรอ๋อผิดแล้วไม่ถูกหลอกอัตมามองไม่เห็นแมดูถูกว่าอัตมาจะมองเห็นนหรไม่เห็นไกลนะตัวมันเล็กเอาเขียนมาให้งั้นอัตมายังไม่อ่านตัวนี้ถ้าไม่ใช่เบอร์นี้ศูนย์แปดก้าเวลาเขียนมา อ้าเอามาเอามาให้ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวเอาเบอร์มา <c oughs> อ้าวอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยต่อรายการ <c oughs> อ้าวอ้าวทีนี้มาเข้าสู่เรื่องที่จะเป็นเนื้อหาของธรรมะนะ <c oughs> วันนี้อาตมาอยากจะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดของจิตเจตสิกในเรื่องของจิตนี่แหละอ้าวมาแล้วเบอร์โทรศัพท์มีสองเบอร์ โทรศัพท์มีสองเบอร์ก็อย่างนี้เบอร์ที่หนึ่งคือศูนย6แปดเก้สองหหศหเจดสเขาานิยมเอาสามตัวไว้หน้าศูนยหก็สต้องเขียนมาหอ่ะอานนี้ผิดหรอกเลขหอานนีผิด S <S เขียนเลขหกมาจะให้อ่าน5ได้ไงศูาอหกหนันอันนึงอีกอันหนึง0 0 43, น่ง082 082443 0271สอง่าเองบอร์เอาทวนอีกทีหนึ่ง0ูนย์แปดเอัน 0574กับอีกอันนึง082อ่าอันนี้082 443 0271นะสองหมายเลขเ อ, อ่ะมีโทรศัพท์กั็ลายเบอร์ด้วยเบอร์โน้นทำไม่ใช้แต่วันโนนวันนี้ไม่เอาละนะเปลี่ยนเบอร์นั่นเบอร์นี้เลยน่ะที่อาตมาจะพูดนี่จะพูดถึงเรื่องของวิญญาณที่เป็นสัตว์หรือสัตว์ ทางวิญญาณสัตว์ทางจิตสัตว์พอเรียกกรรมวาสัตว์คนทั่วไปก็จะคิดถึงสัตว์สัตว์คือชีวิตสัตว์คือชีวิตชีวิตถ้าพูดถึงหลักวิชาก็คือชีวิตที่เป็นจิตนิยามชีวิตที่มีจิตเข้าไปเป็นพลังงานอัตภาพในตัวในตัวสัตว์ตั้งแต่สัตว์เดริชานมาได้มาถึงมนุษย์ ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งหมดเพราะงั้นถ้าเรียกคำ ว, ว่าสัตว์ก็จะหมายถึงรวมทั้งหมดพอแว่บอกว่าคนเขาก็มาเรียกชื่อเพิ่มเติมอีกว่าเป็นคนถ้าภาษาไทายเราเรียกว่าคนนี่ไม่ใช่สัตว์ถ้าบอกสัตว์นีก่ก็หมายถึงแยกไปเลยเป็นเดรัจฉานทั้งหลายถ้าเรียกว่าคนไม่เรียกว่าสัตว์หรือมาใช้คำเอาบาลีก็ามาใช้หรืออสัสสัมสกิตมาใช้เลยเรียกว่ามนุษย์มนุษย์ ก็หมายถึงคนคนภาษาไทยมนุษย์เป็นภาษาบาลีหรือาาสันสกฤตก็มาเรียกว่าหมายถึงคนนะคือสัตว์สัตว์จิตสูงมนุษย์หรือมนุษโซนี่แปลว่าผู้มีจิตสูงที่มีจุดสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนะเพราะนั้นคำภาษาจึงหมายเอาทั้งสัตว์เดรัจฉานและคนด้วยและคนนี่แหละมีจิตนิยามหรือมีจิตวิญญาณ น, นี่แหละมันชั่วได้เหมือนสัตว์ ชั่วได้ยิ่งกว่าสัตว์ชั่วได้เหมือนสัตว์ชั่วได้ยิ่งกว่าสัตว์หลายเท่าเลยไม่มีสัตว์ในรจานตัวใดชั่วได้เท่าคนไม่มีสัตว์ในรจานตัวใดชั่วได้เท่าคนน่ากลัวและสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่ได้รังแกก้าหมด นอกจากรังแกแล้วก็อยู่เนื้อก็หมดช้างตัวใหญ่ขนาดนั้นก็เอามาใช้เป็นทาตหมดเลยได้ถ้าเผือว่าไดาโนเสาร์อยู่คันยุคนี้คงเอาไดาโนเสาร์มาใช้เหมือนกันนะมันจก่งจริงๆคนเอาจริงนะแต่ว่าเอ๊กก็ไม่เห็นเอาประวันมาใช้เนาะหรือไปใช้ประวานในทะเลก็ไม่เห็นเอาไปทำก็คงยากนะเนาะมันเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกที่ไดโนเสาร์สัตว์บกคงเอามาใช้รคฮะ ปวันเอามาแสดงยังได้เลยเห็นไหมเขาก็จับมาเลี้ยงมาจะแสดงยังได้ประวาณเห็นไหมเก่งมากคนน่ะกำราบได้หมดเลยแล้วก็อยู่ในอนัตเลยได้เลยเสื้อสิงกะทึงแรกอยู่ในอนัตได้หมดเลยคนเนี่มันเก่งจริงๆแล้วมันก็เป็นจริงในโลกทุกยุคทุกกลับทุกการสัตว์มนุษย์สัตว์คนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นเลวร้ายที่สุด ทีนี้ตัวสำคัญที่จะพาเลวร้ายก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าที่มาเรียนรู้ตรัสรู้เรื่องจิตวิญญาณเป็นหลักก็เลยตราขึ้นมาว่าความเป็นสัตว์แบ่งไว้เก้าขัน9ก้ชั้นชั้น1นึชั้น2องชั้น3ามชั้น4ี่ชั้นห้าชั้น6กชั้น7จ็ชั้น8ปดชั้น9เรียกว่าสัตว์ว่าเก้า อาวาสแปลว่ายังอยู่ที่อยู่เพรา ะ, ะนันจิตวิญญาณของใครที่มีความเป็นสัตว์เก้าขั้นนี้ความเป็นสัตว์เก้าขั้นนี้นั่นแหละล้างให้หมดหมดแล้วจึงจะเป็นมนุษย์โซที่แท้เป็นจัดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนไม่ใช่เรียกว่าสัตว์แล้วเป็นจิตวิญญาณสูงที่แท้ สูงที่แท้เพราะหมดจิตวิญญาณลักษณะความเป็นสัตว์เก้าชั้นนี่แหละเกลียดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตวิญญาณที่มันเป็นสัตว์ไม่ใช่ร่างกายแล้วนะร่างกายนี่ก็เป็นอย่างนี้หล่ะมีหัวกลมๆมีสองขาสองแขนเดินทางตั้งนี่แหละคนนี่แหละเรียกว่าสัตว์ เดินทางตั way, another another ้งเนี่ยซึ่งเดินทางตั้งก็มีอยู่หลายสัตว์เหมือนกันเพนกวินมันก็เดินทางตั้งอ่าเพนกวินก็เดินทางตั้งอ่าแม้แต่ไอ้ลิงมันก็เดินทางตั้งได้เหมือนกันอ่าหลายชนิดมันก็เดินนะอ่าจิงโจ้มันก็พอเดินทางตั้งแต่มันก็อ่ามือมันหนักสี่ขามันไม่ก็จะลงไปคานอย่างงี้ทีเดียวนานที แต่คนนี่โดยทางตั้งไม่คลา น, นถ้าคลานก็ถือว่าผิดปกติแล้วค น, นคลางเมื่อใผิดปกติเมื่อนั้นไม่ปกติเมื่อนั้ น, น <S <S จึงต้องเรียนรู้และต้องเรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ข้มพุทธเจา้าสอนให้เขาไปอ่านจิตสัมผัสรู้มันเป็นนามธรรมาจิตวิญญาณ เ, เป็นนามะธรรมาอัตมาพูดซ้ำพูดซากใครใครฟังอัตมาบรรยายแล้วนี่ถ้าไม่รักกันจริงแล้วไม่ ไม่เห็นจริงว่าอันนี้ดีแม่อตมาจะพูดซ้ําพูดซ่ากเท่าไรฟังแล้วก็ยิ่งจะทราบซึ่งฟังแล้วก็ยิ่งจะเข้าใจลึกเข้าไปแล้วก็พอใจไม่เคยเบื่อหน่ายผู้นั้นก็เข้าใจว่ารู้จักความสําคัญในความสําคัญรู้จักสาระในสาระจริงๆแล้วก็จะเป็นเช่นเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและยากพระผู้ใดที่สามารถอ่านจิตวิ ญ, ญญาณได้และเข้าใจนิยามของจิตวิ ญ, ญญาณเลยว่าอาการเป็นสัตว์คืออย่างไร นะอาตมาจะอธิบายสัตว์เก้าชนิดนี้วันนี้นะสัตว์เก้าชนิดนี้อธิบายไปเรื่อยๆเวลามันน้อยแล้วนะเดี๋ยวถามตอบประเด็นตอนหลังสักประมาณ 30-40 บสี่นาทีเนะนี่ยอธิบายอย่างเดียอเวลาไม่เท่าไรแล้วเก้าชั้นนั้นเอาชื่อหลักก่อนนะเออาตมาไม่ได้เอาตำราเล่มนี้มา แม่อัตมานี่สับเพ่าจริงๆกางอยู่บนโต๊ะเลยนะแต่ก็ผ่าไม่เอามาไม่หยิบมาพระแตปิดก์้าวแต่มีนี่ในนี้ใช่ไหมในพุทเนี่ยมีใช่ไหม <43. S 1> แต่ไม่แล้ก็ละเอียดแล้วมีย่สามไม่ก็ละเอียดไปตัดคำตัดความก็เลยมันก็ชัดเท่าไหร่ย <52. S 1> ร้อยห้าสิบสองนะปะเถิไปเปิดคนละเล่ม มันมีสองเล่มติดกันอยู่นี้อาตมาก็ะจตวาดเก้าเอาเ อ, า เ, อ, า เ, อาเอามาเลยเอาดีแมมาอยู่ที่อาตมาเดี๋ยวมันก็ลบลบแล้วก็ทาาําไม่เป็นอ่าเอาเธอไม่เป็นไรถ้ามันลบก็ให้คุณทําต่ออา้วา ว, าวหนึ่งสัตว์บางพวกอ่เริ่มต้นหนึ่งสัตว์บางพวกมีกายต่างกัน สัญญาต่างกันนะเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางเหล่าพวกสัตว์วิิปาติกะบางเหล่าเอออันนี้ดีนี่เล่ม น, นี้ใช้คำว่าเช่นแต่เล่มที่อาตมาดูเน่เขาใช้คำว่าเหมือ น, นเหมือนอะเนเองอั น, นเาเช่น ในพัตตบิดกเขาใช้คำว่าเหมือนเหมือนพวกมนุษย์พวกเทพบางเหล่าพวกสัตว์วินิปาติกะบางเหล่าเอาฟังไปก่อนนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าค่อยอธิบายรายละเอียดสองสัตว์บางพวกมีกายต่างกั น, นมีคําว่ากายกับสัญญาเป็นตัวหลักอันแรกนี่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกั น, นเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางเหล่าพวกสัตว์วิ วินิปาติกะบางเหล่านะทีนี้สองนี่ข้อที่สองนี่สัตว์อย่างที่สองชั้นที่สองนี่สัตว์บางพวกนี่มีกายต่างกันเราจำคำว่าต่างมาข้างหน้านะอย่างเดียวกันอยู่ข้างหลังแล้วค่อยสับมานะสัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมันไ ม, ไม่เหมือนอันแรกอันแรกนี่ต่างกันต่างกัน2้สองอันอันที่สองนี่ต่างกันคือกายแต่สัญญาอย่างเดียวกัน เช่นเราเทพทีนี้เราเทพจำพวกพรหมพรหมนะเียพวกพรหมหรือจะเรียกเทพก็ต้องวิสุทธิเทพพวกพรหมหรือวิสุทธิเทพผู้เกิดในภูมิปฐมชาตเป็นต้นอันนี้จํากัดกวาว่าภูมิปฐมชาตจะได้อธิบายว่าทําไมต้องเอาตรงที่ว่าภูมิปฐมชาติสามสัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันสหรับ สทีนี้อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันเลยมีกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันอันที่สเพราะงั้นอันที่สมนี่เช่นพวกเทพเทพแสงสว่างอภัรสราพรมสว่างไ ส, ไ ส, สวงพวกไสสว่านพวนี้สัตว์ช น, นิดที่สส่วนช น, นิดที่สนั้นสัตว์เช่นพวก พวกดำมืดพวกดำกินอาหะรในแปลว่าดำเช่นพรมสุพกินหนารพรมเป็นต้น อ, อย่างนี้นีอย่างที่สต่อจากนั้นอสัญญีสัตว์ในนี้เนี่ยสัตว์บางพวกไม่มีสัญญาไม่เสเวย อ, อารมณ์ไม่มีสัญญาไม่เสเวย อ, อารมณ์เช่นเทพจำพวกอสัญญาสัตว์ สัญญิสัตว์ต่อมาหสัตว์บางพวกเข้าถึงอากาสานันจายตนะนะพวกนี้พวกชั้นจะพ้นจากรูปรูปฌานแล้พ้นจากรูปฌา น, นาาส่วนพวกอันที่หนะ้านั้นเป็นดับเลยดับจิตมืดเลยสัญญาเวทนาดับหมดนะดับมดืดที่จริงอันที่ห้านี่ก็คือจริงๆก็คืออันที่สีนั่นแหละ อันที่ห้าคืออันที่สนั่นแหละแต่อันนี้จําเพาะเลยจําเพาะเลยจําเพาะลงไปที่ว่าตัวเองทําให้ดํามืดแล้วเนี่ยในขณะที่ได้ดํามืดเนี่ยตัวเองก็ไม่มีความรู้อะไรไม่มีการรับรู้ว่าตัวเองดีใจภูมิใจหรือไม่ภูมิใจแต่อันที่สีนี่บอกให้รู้เป็นปริยัติว่าเพราะถ้าสมาธิมันจะมีสุภะ ของระดับนิโรธเหมือนกันเพราะว่าดำมืดนี่มันหมายถึงนิโรธหมายถึงความดับแต่มิจฉาทิฏฐิจะเป็นดับจิตให้มืดให้ดำส่วนสมาธิที่นั้นจะดับกิเลสให้ตา ย, ใ ห, ตายให้ดับไปเลยดำมืดไม่มีเลยมันก็เหมือนดำดำมืดดำตายไม่มีชีวิตไม่มีความรับรู้เลยไม่มีความรับรู้เลยเวทนาสัญญามันไม่มีหมดแต่ลืมตา แต่มีธาตุรู้ร่วมอยู่ด้วยมันจึงลึกซึ้งนะมันถ้าเป็นสมาธิแต่ถ้าอ ส, สัญญีสัตว์อันที่ห้าเนี่ยมืดหมดเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่ามีส่วนดีเลยสุภะไม่มีมันกินนะฮแท้ๆดำมืดอย่างเดียวรูปธรรมนามธรรมมืดอย่างเดียวเลยข้อที่หอันที่หสัตว์บางพวกเข้าถึงอากาศสารนัจญยานะก็เป็นอรุปิชาน อันที่เจ็ดอรูปชาตอันที่สองช่วงนี้มันต้องมีไอมาแสกแซงสมาหกสัตว์บางพวกนี้เข้าถึง เจ็ดบางพวกเข้าถึงวิญญาณารยายตนะเดี๋ยวค่อยอธิบาย8ดสัตว์บางพวกเข้าถึงอกิยจัญญายตนะ9บางพวกเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนะแล้วก็จะมีหายะึกซึ้งที่ทำไมถึงแบบเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่คล้ายคล้กันกับสุภกินนะกับอสัญญีเนวสัญญานาสัญญายตนะกับอสัญญีสัตว์ก็คล้ายกันนะแต่ว่า ในภาคปฏิบัติในวิญญาณทิติท่านไม่มีคำว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาเดี๋ยวไว้ค่อยอธิบายรายละเอียดนะอาจานี่มาเริ่มต้นอธิบายก้าสัตว์มาไปตามลาดับจะได้เวลาเท่าไหร่ก็แล้วแตนะ่อธิบายพวกที่หนึ่งให้ฟังก่อนสัตว์พวกที่หนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันนี่เป็นหลักเพราะงั้นพวกที่ มีการรู้คําว่า ก, กายมีปัญญามีผูร้รู้มีทิฏฐิในเรื่องคําว่า ก, กายและความเห็นของคําว่า ก, กายเห็นต่างกันเพราะงั้นคุณจะได้กายทุกคนได้กายได้องค์รวมของรูปนามได้องค์รวมของสิ่งที่เป็นสังขารการปรุงอยู่ในรูปนามขนาันธ์ห้าในรูปนามในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมอยู่เนี่ย องรวมทั้งหมดอาเดวัตกายเพราะงันผู้ที่ไม่รู้ก็มีกายแล้วเขาก็จะได้เพราะงั้นท่านจะไม่เรียกว่ารู้ก่อนท่านจะเรียกว่าได้คําว่าได้ก็ภาษาบาลีว่าปฏิลาโพเพราะงั้นจะมีกายะปฏิลาโพมีการได้กายกายะปฏิลาโพเขาจะได้กายอย่างนี้แหละสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนเลยอวิชานี่ก็จะได้ เพราะในข้อหนึ่งนี่คือคนที่ไม่ได้เรียนเพราะฉะัคนที่ไม่ได้เรียนโดยอ ว, วิชาเนี่ได้ได้กายองค์ประชุมของรูปนามขนานหน้านี่ต่างกันไมหมดถ้าเรียกว่ารูปนามขนานหน้ามันเป็นองค์รวมองค์ประชุมของกายเรียกว่ากายยะสังขารได้มาเป็นกายกายยะปฏิลาโพได้เป็นความเป็นกายสังขารของตนแล้ว ประชุมกันมาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นกายของเราก็คือมีรูปเล่นนามมีทั้งวัตถุหรือรเรียกว่ากายก็ได้มีทั้งกายและจิตก็ได้มีองค์ประชุมทั้งกายนี่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับข้างนอกด้วยเดี๋ยวค่อยแวะอธิบายกายอีกทีหนึ่งอธิบายกายต่างกันกับสัญญาต่างกันก่อนเพราะฉะคนทั่วไปที่ อ, อวิชชา ก็จะได้องค์ประชุมของกายนะกายยปฏิลาโพจะได้กายเนี่ยต่างกันไปหมดไม่ว่าจะกายในความเป็นมนุษย์คุณก็จะสัญญากำหนดรู้ตามที่คุณ ส, สัญญากำหนดรู้เรามนุษย์เป็นอย่างนี้นะสัญญาตา่างกันก็คือการกำหนดหมายตามทิฏฐิการกำหนดหมายตามความรู้ตามกำหนดหมายของปัญญา ปัญญาเราว่ากายของมนุษย์เช่นมนุษย์เช่นมนุษย์เช่นสัตว์เช่นเทวดาเช่นสัตว์นรกตามที่ยกตัวอย่างเพราะคุณก็จะเข้าใจองค์ประชุมของรูปนามขันธ์ห้าของคุณเนี่ยเป็นมนุษย์คุณก็จะเห็นแค่นี้อย่างนี้เป็นสัตว์นรกคุณก็จะเห็นอย่างนี้เป็นเทวดาคุณก็จะเห็นอย่างนี้ตามอวิชชาของคุณเพราะในรายละเอียดของอวิชชา คนต่างๆหลากหลายก็ได้องค์ประชุมเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างเหมือนกันบั่งคล้ายกันบ้างคล้ายกันมากที่สุดก็ได้ต่างกันไปต่างๆนานาก็ได้เช่นกายของสัตว์นรกของพวกถือศาสนาอื่นเขาได้กายองค์ประชุมของสัตว์นรกไม่เหมือนกันกับเราหรอกแม้ศาสนาเดียวกันก็เถอะก็กําหนดไม่เหมือนกันเทวดา คุณก็ได้องค์รชุมคุณก็จะมีความรู้เวลาคุณได้คุณจะภาพกำหนดรู <un> ้กำหนดเห็นกำหนดมาเป็นรูปที่จะพูดกันรู้เรื่องก็อธิบายสัตว <un> ์เ <aho> ป <os> uh, ็นสัตว์โรกก็เป็นอย่างนั้นสัตว์เทวดาก็เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกันอย่างเทวดาของตะวันตกก็มีปีกบินถือกิ้งกๆ้งกิงกงอะไรเงี้ยมีอะไรเคาะไปกิ้กิ้งแต่ของแบบ ตะวันออกเรื่องของไทยโดยเฉพาะไม่มีไม่มีศส่ชฎาแบบนั้นแต่ศส่ชฎาอีกแบบหนึง่งไม่มีกริงๆแต่มีสังวานห้อยอะไรแต่ก็ไปกันคนละกหนดไปเป็นรูปเป็นร่างไปสรุปแล้วกายของมิจฉาทิฏฐิของต่างจากของพุทธเลวสมาทิฏฐิอันนี้แหละเป็นประเด็นที่วัคคะวะกายต่างกันสัญญาต่างกัน คือผู้ที่มิจฉาทิฏฐิกับสมาธินี่คือลักเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์เนี่ยทั่วไปมิจฉาทิฐิถ้าสมาธิแล้วจะเข้าใจตรงกันหมดไม่หลากหลายจะเข้าใจมาตรงกันเป็นหนึ่งเดียวเลยสมาธิจะเป็นหนึ่งเดียวว่ากายของสัตว์มนุษย์เป็นอย่างไรกายของสัตว์นรกเป็นอย่างไรกายของสัตว์เทวดาเป็นอย่างไรหรือแม้แต่ที่สุดกายของพรหม พรหมกายหรือธรรมกายซึ่งเป็นกายของผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่อรหันต์ขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมกายหรือพรมกา ย, ยานี้เป็นต้นนะมันเป็นยังไงก็จะรู้องค์ประชุมนั้นมาได้นะนี่กายเพราะทิฏฐิผู้ใดไม่ตรงย่อมสัญญาไม่ตรงแม้สัญญาจะตรงกันถ้าทิฏฐิต่างกันก็จะได้ กายต่างกันฟังดีเดียมันซ้อนตรงนี้แม้สัญญาจะตรงกันแต่ถ้าทิฏฐิต่างกันหนึ่งมิชาทิฏฐิแต่ถ้าสมาทิฏฐิก็จะเห็นอย่างนี้ถ้ามิชาทิฏฐิก็อย่างนี้เพราะสัญญาจะตรงกันผู้นําไปหน่อยหนึ่งเช่นสัจธรรมที่สองได้ปฐมฌานเป็นต้นสัญญาอย่างเดียวกันแต่กายต่างกันสัญญาว่าได้ฌานในความเป็นฌานคือไม่มีนิวรณ์ห เขาได้องค์ประชุมของจิตตอนที่เขาได้เป็นปฐมประชาเขาก็ไม่มีนิวรณ์หสัญญาอย่างเดียวกันแต่กายที่เขาได้กายที่เขาได้ต่างกันกายของของวิชาทิษฐิก็อย่างหนึ่งเป็นเป็นกายม้าเป็นกายอย่างหนึ่ง ส่วนกายของสมาธิก็อีกอย่างหนึ่งอ่า น, นี่พูดนําหน้าของอันที่สองชั้นที่สองไว้ให้ฟังก่อนเอาเทนี้ยอ่อนคำมาที่หนึ่งแบบที่หนึ่งประเด็นสําคัญก็คือคําว่ากายนี่ต้องให้ชัดเจนสัญญาคือการกําหนดรู้หมายตามทิฏฐิสัญญาจะทํางานตามทิฏฐิทิฏฐิความรู้ความเห็นพื้นฐานของเรานี่เป็นประธานทิฏฐิ สมาทิฏฐิเป็นประธานหรือมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉามันก็ไม่ต้องพูดกันถ้าสมาธิทิฏฐิก็ต้องมาตรงกันของพระอาจารย์สอนอย่างนี้นะไม่ว่าสมาธิปัญญาถ้าจะมีหลักสมาธิทิฏฐิสิบเลยเนะพราะผู้ที่จะกําหนดถูกต้องเป็นสมมาถ้าเข้าใจถูกต้องเป็นปริยัติแล้วไปปฏิบัติก็จะได้อันนั้นมาอย่างนั้นเช่นกายของสัตว์ทางจิตวิญญาณเรียกว่าโอปปาติกสัตว์ สัตโอปปาติกะนี้เป็นสมาธิิฐหรือถ้าเข้าใจไม่ได้เป็นมิจฉาในข้อที่9ก้ของทิฏฐิสิบบางผู้ใดจะปฏิบัติทมพระพุทธเจ้าเดียว่าปฏิบัติมรรคองแปดปฏิบัติพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติมรรคองแปดมีทางนี้ทางเดียวไม่ทางอื่นไม่มีเอเสวะมรโคโนัทันโยไม่มีทางอื่นหรอกบางผู้ใดจะปฏิบัติมรรคองแปดต้องเข้าใจสมาธิิฐให้สมาก่อนถ้าเข้าใจ หนึ่งถึงสิบนี่ไม่ได้ไม่ตรงไม่สัมมาปฏิบัติให้ตายก็ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมไม่มีอรหันต์ให้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยแต่ก็าศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยอาตมาไม่เห็นมาเรียนกันเลยทิฏฐิ10บนี่ไม่เห็นเรียนกันเลยแล้วก็ไป น, นั่งสมาธิการป้ายไม่ได้เป็นสมาธิาต้องเรียนตามมรรคแปดที่จะต้องมีสมาธิาทิฐิเป็นประธานและต้องมีสมาสกา่อนทั้งสิบหลักนี่ ไม่ในเรียน ไ, ไ, ไ, ไม่ได้มาพูดกันเลยเขาเรียนผ่านๆเหมือนกันแต่เพราไม่เรียนเป็นสําคัญแต่เราเนี่เรียนสําคัญเพราะถ้าคุณไม่เริ่มต้นอันนี้สัมมาก่อนคุณทช้ตายปฏิบัติให้เคร่งปฏิบัติให้หนักปฏิบัติให้อุกฤษขนาดไหนนะไม่มีทางจะมนุษยรทำนะเพราะถ้าทิฏฐิผิดสัญญาผิดเมื่อสัญญาเป็นหลักใหญ่ แม้จะไปสัญญาตรงกันอย่างเดียวกันมันก็จะต่างกันไปในในัยยะที่ลึกซึ้งขึ้นเร่อยๆอันนี้โปรยไปก่อนโปรยไปไปก่อนอที น, นี้กลับมาสู่ข้อที่หนึ่งเนี่ยประเด็นหลักคือสมาธิทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิกายต่างกันมิจฉาทิฏฐิก็จะเห็นกายอย่างหนึง่งสมาธิทิฏฐิก็จะเห็นกายอีกอย่างหนึง่งเพราะวาความเป็นมนุษย์บอกว่า ควาเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์ทางเรียกว่ามนุษย์โซผู้ที่มิจฉาทิฐิแม้จะเรียกว่ามนุษย์โซนี่นะประมาติหมายเอาจิตเจตสิกรูปนิพานนะปฏิบัติธรรมเนี่ยกำหนดหมายเอาโอปปาติกะนะเอาสัตว์โอปปาติกะนะสัตว์นี้เป็นสัตว์โอปปาติกะนะไม่ใช่สัตว์ไอที่มีไอรูปร่างกายแขนขามือนก็ยังกะ เป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณเท่านั้นนะเขาก็จะเข้าใจว่าสัตว์ทางจิตวิญญาณเหมือนกันอบปฏิกิราจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือข้างในใช่ป่ะในจิตพรดีเนี่ยอธิบายอธิบายละเอียดละเอียดไปเพราะฉะนั้นเขาจะได้สัตว์ทางจิตวิญญาณเขาก็จะต้องนั่งสมาธิเข้าไปอยู่ในจิตเข้าไปเห็นสัตว์ในจิต พอนั่งสมาธิก็เข้าไปแล้วก็เห็นสัตว์โดยเขาเองเขาจะเห็นสัตว์ว่าองค์ประชุมของสัตว์จะเป็นรูปอย่างไรกายองค์เป็นรูปอย่างไรกายของเขาก็จะมีรูปร่างทั้งทงที่สัตว์โอเบปาติกะนี่คือจิตอวิญญาณจิตอวิญญาณไม่มีรูป เลียงมโนอสรีรังเห็นไม่ได้อันิี้ทัศนังวิญญาณอันนี้ทศรังญญานนางานตังสัพตตปะพังเห็นไม่ได้ไมันมีรูปร่างมันมีเส้นมีแสงมีกรอบมีอะไรเห็นได้โดยอาการลิขิตนิมิตอุเทศเห็นได้โดยอาการแล้วก็กําหนดเครื่องหมายเอาเองอาการโกรธอาการโลภอาการสุขอาการทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอาการทั้งหลายที่มันเป็นอาการของนามธรรมา จิตวิญญาณมันไม่มีรูปร่างสีแสงเส้นเสยงนี่คือพวกมิจฉาทิฐิจะมีรูปเพราะยันจึงไปกำหนดกายมีรูปมีร่างคำว่ารูปเนี่ยมันก็จะซ้อนรูปคือสิ่งที่ถูกรู้เขาก็ถูกรู้เน่เขารู้ได้มีรูปมีร่างมิสริระเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิกันไปแล้วก็เห็นแล้วสัตว์นรกโอ้มีร่างอย่างนี้สัตวเทวดามีร่างอย่างนี้ เขาจะได้กายต่างกันเพราะกายเป็นสัตว์นรกเขาก็จะรู้อย่างสัตว์นรกกายเทวดาเขาจะต้กรจัแยกกายเทวดาไปอย่างหนึ่งเขาก็จะเห็นรูปร่างมีสวดทรงในรูปร่างมีโครงร่างมีสวดทรงมีโฉมมีกายมีร่างกายของเขาจะมาแต่เฉพาะรูปร่างจะไม่เนื่องเกี่ยวไปถึงจิตวิญญาณจะไม่พิจารณาเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมของมิจฉาทิฏฐิพอกายในกายต้องเนื่องต่อมหาเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเขาก็จะตัดกายในกายก็คือเห็นแต่รูปร่างเมื่อปฏิบัติธรรมเวทนาในเวทนาก็ไปอ่านอารมณ์เหมือนกันแต่ไม่ได้อ่านอารมณ์ของกายในกายนั้นมันจะต้องท่าผู้สมาธิแล้ว กายนั้นจะต้องลืมตาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูก ร, รู้ข้างนอกว่าสิ่งที่ถูกรู้ข้างนอกเนี่ยก็รู้สิ่งที่เป็นวัตถุรูปดินน้ำไฟลมธาตุดินน้าไฟล ม, ท, นน ม, ฟลมท่านสรุปเอาไว้แค่นี้ธาตุดินน้าไฟลมธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่กายในมหาภูต ร, รูปยี่บสี่เนี่ยโ อ, อ๊บไม่ใช่มาอ ย, อยู่ในรูปยีสี่ รูปทั้งหมด24มีมหาภูตรูปสี่มีอุปาทายรูป24ฟังดีๆนะมหาภูตรูปทั้งสี่นั้นไม่ใช่กายเพราะเริ่มต้นมาปราษาทรูปอีกหโคจรรูปอีกหประาษาทรูปคือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็หนังผิวหนังหนังทั้งหมด ผิวหนังทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นผิวหนังถ้าไม่มีประสาทท่านถึงเรียกประสาทรูปรูปที่มีประสาทถ้าไม่มีประสาทเข้าไปรับร่วมทำงานจะมีสติสัมปชัญญะร่วมกับตรงประสาทนี้ไม่ใช่กายถ้าประสาทก็ไม่ถึงไม่ใช่กายเพราะฉะนั้นในอาการ32 ข้างนอกเนี่ยชัดๆตาหูจมูกลิ้นเออเออไปขอขนผมผมขนเล็บฟันผิวหนังข อ, อยืนยันม า, าผิวหนังไม่ต้องใช้คําว่านังเพราะใช้คําว่านางมันต้องในผิวผิวมันผมขนเล็บฟันผิวหนังไม่ใช่กายไม่ใช่กายผมขนเล็บฟันผิวหนังไม่ใช่กาย อธิกากาเกิดพูดอธิบายมาแล้วเพราะไม่มีประสาททรูปเข้าไม่มีประสาทเข้าไปร่วมเกิดแต่ถ้ามีประสาทเข้าไปร่วมด้วยแล้วเกิดการสัมผัสทํางานโคเจะระรูปอีกห้าคือกระทบกับรูปกระทบกับเสียงกระทบกับกลิ่นกระทบกับรถกระทบกับผิวหนังผิวกายทั้งหมดกระทบด้วยทั้งหมดตาก็ถือว่าผิวหนังหูจมูกลิ้นถือว่าผิวหนังทั้ง4 เพราะงั้นในอันนี้มันคุมเครือมันครึค่งกลางกลางฟังโคจา ร, ร, รุ่งกับภาษาทรุ่งนี่ถึงเรียกรูปนี้เป็นเก้าตัดเอาเปนหนึ่งเพราะว่าคําว่ากายโภทพภาพนี่รวมทั้งนอกทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นทั้งหมดรวมไปทั้งหมดคําว่ากายไประ บ, บุเอาผิวหนังทั้งหมดไปแค่สี่เพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกาย กับรูปรดกลิ่นเสียงโผฏฐะความรู้สึกทางภายนอกสัมผัสรู้สึกจึงนับออกแค่เกนะ้าตรงนี้อนะเข้าใจยากอ ย, กอยู่อัตมาพยายามอธิบายมันออกอย่างครึ่งกันแล้วกันไอ้ตัวกายเนี่ยเอาอย่างละครึ่ ง, <c oughs> นะอองครึ่ง น, ะงนึงไปถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายอีกครึ่งงมันถือว่าตัวผิวหนังทั้งหมดนะเอามาคนละครึ่งก็เลยขอเป็นเกนะ้าเพราะว่ามันรวมรวมกันอยู่คําว่าผิวหนังนี่รวมทั้งหมดเลยแยกให้ดีนะว่า สิ่งที่ไม่ไม่มีประสาทเข้าไปร่วมนี่ไม่ใช่กายเพราะฉะนั้นเอาแต่พระประสาททั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายนี่ถ้ามันไม่มีมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันไม่มีประสาทเข้าไปร่วมด้วยเลยเนี่ยคุณก็ไม่ไม่ใช่กายไม่ใช่กายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย ถ้าคุณไม่มีปภาสาทก็ไปร่วมเช่นตาคุณจิตของคุณไม่ได้มีภาษามีภาษาแต่จิตของคุณไม่ไปใช้ปภาสาจิตของคุณไม่เข้าไปใช้ภาษาทไม่โครจะระไม่เป็นวิสัยที่เข้าไปใช้ร่วมให้มันเป็นธรรมดามแต่คุณไปร่วมอยู่ในความคิดในพบไหนก็ไม่รู้แต่ตาเนี่ยลืมตาจ้องไว้ตรงเนี่ย<ม>เรืกออก่องบางทีคนเขาเรียกเสียงดังเลยนะเรียกอยู่นั่นนะเรียกชื่ออยู่นั่นนะแต่จิตเราไป กาอยู่ในภพไหนก็ไม่รู้นั่นเลยไม่ได้ยินนั่นแสดงว่าไม่มีเสียงไม่เกิดสภาพภาวะรูปไม่เกิดภาวะรู ป, ไ ม, รปไม่เกิดปฏิกิริยาเข้าไปเป็นตัวรูปของนามธรรมามันรูปตั้งแต่ภาวะรูปไปจนกระทั่งสุดเลยคือนามธรรมา ท, ทั้งสิน้นรูปตั้งแต่ภาวะรูปไปนามทั้งสิน้น ส่วนภาษาธรูปกับโคจรรูปนั้นถือว่าห้านั้นกึง่งๆึห้านี้ก็กึง่งๆึจึงนับเอาครึ่งหนึ่งตัดเอาก อ, อกครึ่งหนึ่งแล้วกันถ้าไม่มีภาษาก็ไปร่วมไม่ถือว่าเป็นนามถ้ามีภาษาก็ไปร่วมเป็นนามทั้งหมดนับไล่มาเลยเป็นนามทั้งหมดเลยตั้งแต่ภาษาธรูปที่เป็นนาม ตัดเอาหนึ่งออกเท่านั้นนะเป็นนามมาหมดแต่มานามจะไม่เหมือนซ้ำซอนกันอยู่อีกวิญญาตรูปเพราะวิญญาตรูปนะั้นเป็นวิญญาตรูปสองอยู่ข้างนอกแล้วจะมีวิญญาตรูปข้างในมโนวิญญาตยู่อีกมารวมไวท้ที่ดีกาตัรูป5อีกสองเป็นวาจารกกายเป็นวาจารกกายอยู่ข้างในเรียกว่ากายสังขารกับวจจีสังขาร อยู่ในวิญญาตรูตาตาข้างนอกแล้วมันก็เป็นการเคลื่อนไหวของกายกรรมวัมจีกรรมถ้าข้างในก็เป็นกายสังขารวัจีสังขารอยู่ข้างในอีกสองเป็นวิการะรูป5้าซ้ํากันเพราะฉะนั้นคนก็จะงงว่าจะนับมันจะเกินถ้าอนุมีห้เนี่ยเอาวิการรูปอนุกมมันซ้ํามันจะเกินยีสี่นะมันจะเกินยีสี่ อุปาทายรูปจะเกิน24สรุปแล้วถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่รู้องค์รวมของรูปนามอย่างนี้ก็จะพาซื้อว่ารูปนี่เป็นวัตถุหมดใช่ไหมอาตมาแยกชัดเลยนะว่ามหาพูตธ ร, รูปเท่านั้นเป็นรูปหมดเป็นรูปะรูปมหาพูตธ ร, รูปเท่านั้นสี่ เพราะฉะนั้นท่านถึงแบ่งมาเป็นอุปาทายรูปอันเนื่องเกี่ยวกับมหาพูธรูปรูปคืออะไรในปฏิปปุรในปฏิปปเรื่ิบ 16, เนี่ยนามคืออะไรรูปคืออะไรท่านพระพุทธเจา้าท่านก็แยกไว้ชัดเลยนะนะรูปก็คือมหาพูธรูปสี่และอุปาทายรูปหรืออุปาทายุปอันเนื่องเกี่ยวกับมหาพูธรูปสี่ นี่คือรูปอีก24นะเนี่ยมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปนี่ท่านขยายความในพระบาลีก็ว่าจะตุนันจะมหาภูตานังอุปาทายรูปังเพราะอุปาทายรูปนี่คือรูปที่อาศัยรูปทั้งสี่มหาภูตรูปทั้งสี่นะนี่คือรูป ส่วนนาก็เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิกาห น, นะเพราะนั้นรูปอ่าอย่างที่จะต้องเข้าใจละเอียดอย่างที่อาตมาว่าจึงเข้าใจคำว่ากายผิดตรงที่ว่าถ้ากายแล้วจะเป็นรูปหมดก็เลยพ่านรูปกับกายเหมือนกันเลยรูปก็ถูกรูปเป็นข้างนอกไปหมดเลยกาย ก็เป็นข้างนอกไปหมดเลยนี่คือความไม่ครบไม่สมบูรณ์ของการศึกษาธรรมะที่เป็นคำพีราทุตสาตุรนุโพธาเพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์กายของสัตว์คุณก็กำหนดผิดแล้วไปกำหนดแค่รูปเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิหลับตาก็เห็นแต่แค่รูปคุณก็ไม่เอาหนักไม่เอาชัดไม่เอาจริงกับนามคำว่ากายนี่หนักที่นามเพราะฉะนั้นอุปาทายรูปที่ถูกรู้ รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ตากระทบรูปภาพถึงที่ถูกรู้เป็นรูปเสียงกระทบหูเราได้ยินเสียงเสียงเป็นรูปจมูกกระทบกลิ่นกลิ่นที่เราได้รับรู้กลิ่นเป็นรูปลิ้นกระทบรสรสเป็นรูปสปัตเตอร์เสียเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกเหล่านั้นเป็นรูปสิ่งที่ถูกรู้นะเพราะฉะนั้นถ้าพอว่าคุณเข้าใจสิ่งหนึ่งคําว่ารูป ท, ที่ถูกรู้นี้ ก็ไม่ได้เข้าใจคำว่า ก, กายก็เพี้ยนอีกรูปก็เอาแต่เพียงสิ่งที่เห็นเป็นภาพเป็นรูปตัวแรกเท่านั้นเองจากตาคุณก็เลยอาศัยตาแม้หลับตาเข้าไปแล้วคุณก็เห็นเหมือนตาเห็นเป็นรูปเหมือนตาเห็นแล้วไปเรียกอันนั้นว่า ก, กายทิพย์หรืว่า ก, กายทิพย์หรือรูปทิพย์ไปได้ยินเสียงอยู่ข้างใน นั่งสมาธิดีเสียก็เรียกว่าโสดทิพอะไรเงี้ยซึ่งคำว่าทิพคานี้ถ้าเอาอย่างลึกซึ้งตรงนี้นะมันไม่มีเส้นแสงเงาสีอะไรมันไม่มีสรีระเลยแต่มันเป็นอาการอาการของนามธรรมา ท, ทั้งนั้นไม่ว่าจะจักขุวิญญาณก็เป็นนามธรรมาทางตาซึ่งนามธรรมาทางตาจักขุวิญญาณ น, นั้น ก็ข้างในเรารับรู้เพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งขาดว่ากายอยู่ข้างนอกกายวิญญาณซึ่งจะมีจักุวิญญาณมีโสตวิญญาณมีคารนิกายวิญญาณทั้งนั้นครบหเลยครบห้ากายวิญญาณนี่ก็คือมีหนึ่งจักุวิญญาณสองโสตวิญญาณสามคารวนิวิญญาณสี่จิวหาวิญญาณห้า กายวิญญาณนี่คือนอกทั้งหมดเลยกายวิญญาณายมาเมื่อกี้เนี่ยจักสุโสตชิวหา ข, ขานะชิวหากายกายวิญญาณสมวนมโนวิญญาณข้างในงในลึกด้วยมโนวิญญาณนะเพราะงั้นถ้าเข้าใจแยกอย่างนี้ไม่ชัดคุณมเข้าใจตัดไปรปลว่ากายวิญญาณ คุณไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้นะพอคุณเข้าใจว่ากายคือสิ่งที่ไม่มีวิญญาณสิ่งที่กินดินน้ำไฟลมอยู่ที่ที่เป็นโครงนอกเห็นแต่รูปทรงสรีระถูกรู้ถูกรู้ด้วยตาหลับตาเข้าไปแล้วไม่เห็นมีตาสั ก, กนหน่อยคุณก็ไปเห็นกายนะบอกว่ากายทิพย์ไม่ได้รู้ด้วยตานะ แต่คุณก็ว่ารู้ได้ยานแล้วก็ไปเห็นรูปรูปเหล่านั้นไม่ใช่รูปจริงไม่ใช่มีภาษาท้รูปกระทบแต่คุณจํารูปเหล่านั้นหรือคุณปั้นรูปเหล่านั้นขึ้นเองมันไม่เคยเกิดคุณก็ปั้นได้หรือปั้นเอาความจํามาคุณก็ปั้นรูปนั้นมาคิดมาดูสิ่งนั้นไม่ใช่รูปจริงมันเป็นรูปจําหรือรูปคิด เป็นการคิดเนรมิตขึ้นมาเองมันจะของจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกรูปอย่างนั้นใ น, นในความจําในสัญญาหรือในสิ่งที่คิดเองขึ้นมาปรุงขึ้นมาเป็นรูปสร้างขึ้นมาในมโนมโนมโนภาพมโนมโนรูปคุณสร้างรูปอย่างนั้นขึ้นมารูปอย่างนั้นก็เรียกว่ากายที่เนรมิตขึ้นมาเอง เป็องค์ประชุมของรูปที่คุณสร้างขึ้นมาเองเป็นมนโนโมยัตตารูปที่สำเร็จด้วยจิตสร้างต่างกับโอราดิคอัตตาที่จะต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อสำคัญผิดจิตเป็นใหญ่ก็เลยเรียนแต่จิตจิตจิตจนกระทั่งทุกวันนี้สอนจนกระทั่งว่าอย่าให้จิตออกนอกกาย แล้วก็เรียนรู้จิตนะแล้วทาไงต่อนิโรธคือดับดับมันเลยดับมันเลยก็เกิดดับมันเลยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ยังนึกว่านั่นแหละคือนิโรธไอ้ส่วนที่ผู้มีปฏิภาณวามันไม่ใช่ น, นิโรธมันต้องรู้นะว่ามันไม่ใช่นิโรธดังนั้นมันต้องจิตว่างๆนะมันไม่ใช่จิตดับ เขาจะบอกว่าว่างว่างจากอารมณ์กลามอารมณ์พยาบาทอารมณ์ทินมิตะอารมณ์อย่างอุตจะกุก จ, จัอารมณ์อย่างไม่มีธาตุรู้เขาไปรู้ไปปัญญาชัดๆต้องมีความรู้และไอปัญญาที่รู้นี่มันจะรู้ด้วยความเฉยๆว่างๆเพราะฉะนั้นไม่จะดับเขาก็เลยเอาอันนี้แหละอันนี้แหละจะเป็นอาพัสราอันนี้แหละจะเป็นอาภัสรา ส่วนดับนไะปนเป็นสุปกินนาห์นี่แหละมิจฉาทิฐิก็จะเป็นข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ก็ดับข้อที่สามก็สวา่างใสนี่แหละแล้วก็ไปเห็นความใสยึดความใสนั้นแล้วก็ไปยึดความดำความดับนะั้นกายของคุณก็เป็นตัวดับดักายของคุณเป็นตัวใส ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับเวทนาสัญญาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณจะได้องค์รวมของคําว่าประค์ประชุมของจิตในความเป็นกายคุณก็ไม่รู้ว่าความเป็นกายอย่างนี้มันมิชัดทิฏฐิเพราะฉะนั้นการเป็นกายที่ศึกษาสัตววาด้ก้าก็ดีวิญญาณทิฏฐิเจก็ดีในข้อหนึ่งข้อสองสามสเนี่ยเมื่อสัญญาผิดเมื่อไม่ใช่เมื่อทิฏฐิผิด สัญญาคุณก็ผิดหมดเพรา ะ, ะนั้นหนดกาของคุณอย่างใสคุณก็ไม่ได้แต่อภัสราพรมอย่างดับคุณก็ไม่ได้อย่างสุภกินนะหะพรมอย่างอันที่สองไม่มีนิวรณ์คุณก็ไม่ได้ความไม่มีนิวรณ์อยู่เฉยๆสัญญาว่าไม่มีนิวรณ์ แต่คุณไม่ได้รู้ว่าไอาการไม่มีนิวรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงไม่มีนิวรณ์ที่มันลืมตาสัมผัสอยู่แล้วก็อ่านกิเลส ย, ยังไม่มีนิวรณ์จริงๆเลย ต, ตาก็รู้รูปรสเป็นเสียงสัมผัสรู้อยู่ครบแต่อั น, นี้ตาหูจมูกริ้นกายคุณไม่ทํางานคุณไม่รู้เรื่องภาษาธรูปคุณไม่ได้ไาทํางานกับตาหูจมูกริ้นกายเลยภาษาธรูปก็ไม่ได้เข้ามาทํางานอย่างนี้เลยคุณรู้แต่ว่าดึงวิธีเข้านั่งกัน ไม่คิดอะไรเลยปัญญามันจะรู้ความจริงมันจะรู้ไม่คิดจะคิดจะคิดจะคิดจะคิดอย่าไปกํ า, า, านกหนดรู้อะไรไม่รู้แล้วทุกอย่างมันก็จะจิตมันจะว่าจิตเดิมแท้จะเกิดพูดไปแล้วปัญญาจะเกิดตามอันนั้นเรียกว่าภูมิภูมิวิปัสชาทานท่านที่อย่างนี้ไม่เคยมีบัญญายในพระตรรมปิฎกพระพุทธเจ้าไม่เคยตัดสอนแบบนี้เลยยังไม่เคยเห็นแต่เขากตีความเขาทำปฏิบัติกันเอง สรุปนะสรุปแล้วในสัตาวว่าข้อที่หนึ่งหรือวิญญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งะเห็นกายจะเห็นต่างกันได้ท่า น, นก็มาปฏิลาโพจะไม่เรียกคำว่าเห็นคุณก็จะเห็นนั่นแหละแล้วกลายไปเป็นเห็นสิ่งนี้มันมันสิ่งที่คุณได้คุณก็ไปกำหนดผิดสัญญาเพนมึงก็เลยไปเห็นรูปกายก็เป็นรูป โดยไม่เกี่ยวกับ น, นามแต่ของพุทธจะเห็นทั้งรูปร่างนามถ้าสมาธิถิแล้วแม้ว่าเราจะเห็นรูปกายจะเห็นรูปร่างมันเป็นสัญญาจาเออเราก็ชินนะนี่นี้อาการอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ทุกอารมณ์สัตว์สัตว์ถ้าพติว่าสัตว์มันเป็นกามสัตว์มันเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์กามหลับตาก็อ่านอารมณ์อ่านจิตตัวนี้ออกนะ มันจ ะ, ะระลึกเอาความจําเดิมที่เราเคยมีอาการกามเป็นสัตว์นรกนี้มันรู้หรือคุณจําได้และคุณก็คิดปรุงใหม่ว่าอาการอย่างนี้ลราเป็นอาการกลามคิดใหม่ขึ้นมาเช่นคิดในรูปรสเป็นเสียงสัมผัสแมอันนี้มันน่าจะอร่อยอย่างนี้มันคงอร่อยอย่างนี้คุณก็หลับตาคิดสร้างขึ้นเป็นความคิดใหม่ ขึ้นมาก็ได้ในอารมณ์ใครข้างในคุณนะ่ะนะยังไม่ครัวนี่เดีเออปรุงอย่างนี้มันน่าจะอร่อยอย่างงี้นะคุณก็คํานวณไปก่อนคํานึงไปก่อนมันรสนี้มันน่าจะเป็นอย่างงี้สัดส่วนอย่างนี้มันน่าจะอร่อยอย่างงี้คุณก็ว่ากันไปเติมนี่หน่อยมันก็จะจอร่อยอย่างงี้แต่ที่จริงมันทางธัดเคมีมันอาจจะไปปรุงแต่งกันไปอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะเอาเดีจะ เลอะเกินไปจะมากเกินไปสรุปแล้วมิจฉากับสัมมาเท่านั้นถ้าทิฐิผิดสัญญาจะผิดกายเป็นตัวหลักจะผิดใหญ่เลยแม้สัญญาจะอย่างเดียวกันตรงกันเช่นข้อสองปฐมฌานไม่มีนิวรณเป็นหลักอา่าไม่มีนิวรณเหมือนกันแต่กายที่คุณได้คุณนได้แอยู่ในภพในเท่านั้น ง่ายๆแต่ของพุทธนั้นกายได้ทั้งเครงนอกเลยแต่ไม่มีนิวรณ์ประทมปรชันมีไม่มีนิวรณ์ของพุทธเพราะงั้นองค์ประชุมมันต่างกันอันนี้มีปภาษาทรูปมีโคจรรูปเต็มเลยอันนั้นไม่มีระตาหูจมูกดิ้นกายไม่มีมีแต่สัญญาสัญญากับปัญญามันคนละเรื่องกันพตอนก็ไปเรียนรู้แต่สัญญา ได้บอกปัญญาจะเกิดเองอมันจะเกิดได้ไงปัญญามันต้องเกิดครบทุกอย่างเห็นความจริงตามความเป็นจริงไอ้สัญญาทั้งหลายแหละไม่ใช่ความจริงเลยมีแต่ความจำพูดมาหลาทีแล้วสัญญาไม่เคยมีความจริงมีแต่ความจําจนความจริงต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาร่วมแล้วเกิดความจริง เห็นหแค่นิยามคาว่าปัญญากับสัญญาแล้วเป็นความจริงกับความจําเห็นความจริงตามความเป็นจริงเขาเรียนแต่ความจริงคืออะไรความจริงคือสิ่งที่เกิดอยู่หลัดหลัดในชีวิตของคนเต็มรูปสติมันโตสุริย菩萨สุระพาโวสติมันโตอิทัพรมจริยาวาโซเห็นอ ย, อย่างนี้เต็มๆเลยครบ ไม่ได้ตัดออกไปทั้งข้างนอกข้างในเพราะฉะนั้นมีโมกข้อที่สองพร้อมหมดข้างนอกข้างในอจตังอรูปสัญญ้นยีโธุทารูปานิปสติครบหมดเลย <Yeah. S 1> อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความเป็นจริงที่กำหนดหรือว่าเรียนรู้ไม่ครบไม่สมบูรณ์ไม่ละเอียดพอมันก็ขาดแหวง่งมันูที่ขาดแหวง่งคาว่ากายคาเดียวเข้าใจผิด ทิฏฐิไปเห็นผิดอย่างนั้นสัญญาคุณก็กําหนดผิดแม้จะสัญญาบางสิ่งบางอย่างจะสัญญาอย่างเดียวกันอย่างข้อหนึ่งหรือข้อสโอ้หรือข้อ ส, อ ข, อสข้อสี่ก็กําหนดนี่รวดคือดับดับเหมือนกันนะแต่ดับที่ในยะลึกซึ้งเลยนะดับคือไม่มีอะไรแต่มีอะไรเพราะฉะคําว่ามีก็ไม่มีนี่แหละอาศัยอันนี้แหละพระพุทธเจ้าที่ย้ำในนี้ว่าอันนี้แหละใน ข้อ43อัธมาจำได้ที่ท่านตรัสไว้พระพุทธเจ้าแต่ว่าข้อนี้แลออนนข้อ43นี่ที่คนทั้งหลายแหลที่มักจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเนี่ยความมีหนึ่งความไม่มีหนึ่งเนี่ยก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอชอบตามจริงแล้วความไม่มีในโลกอ่า ย่อมไม่มีบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มีโลกนี้โดยมากอโดยมากยังพัวพันอยู่ด้วยอุบอุายอุปทานและอภินิเวศเรื่องอันนี้ท่านลงทายสรุปว่าโดยมากมักอาศัยส่วนสองอย่างนี้อาศัยมีก็ไม่มี คนโดยมากในโลกนี้โลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างนี้มีก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จบด้วยความไม่มีผู้ที่ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีนี่เป็นพวกที่ยังไม่มีอัตถิตาโลเกนะอัตติตาโอ้นัตถิตาไม่มีเพราะอันหลังนี้ความมีในโลก โลเกณะอัปธิตาย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นในยักคาว่าไม่มีอันแรกก็ไม่มีอันหลังเนี่หมายความว่าไม่มีตัวปลายตัวท้ายคือไม่มีผลไม่มีความสำเร็จรเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังไม่มีมรรคผลเรียกว่าความไม่มีในโลกคุณก็ไม่มีความสำเร็จแต่ผู้ที่มีในโลก มีผลของการปฏิบัติแล้วจนถึงที่สุดนะดับถึงความดับแห่งโลกผู้ที่มีความดังงโลกดริยาอันชอบทำตามเป็นจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มีความมีสมุท ย, มมทยนันยเป็นตัวหลักไม่มีสมุทยัยเป็นผู้ไม่มีถึงที่สุดแล้วจึงเข้าใจยากมากเลยถ้าผู้ไม่มีส ภ, ภาวะที่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นน่นะ เพราะนั้นในคำว่ากายคาว่าสัญญาสองคำนี้ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนรู้ความเป็นสัตว์ไม่ได้คุณก็พ้นสัตว์พ้นสังโยชนิสิบไม่ได้เพราะสังโยชนิสิบคือการผูกสัตว์ไว้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นสัตว์ตั้งแต่เป็นอบายสัตว์ตั้งแต่เป็นกามสัตว์ตั้งแต่เป็นโลกโลกิยะสัตว์อบายต่ำที่สุดสัตว์โลกโลกยะ การมาพบโลกิยาที่เหลือรูปประพบปรูปประพบคุณก็ไล่ไปตามลำดับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นผู้ติพพ้นจากความเป็นสัตว์ตามสังโยชน์ดังว่านี้คุณไม่รู้จากองค์ประชุมของความเป็นกายคืนน้ำกับรูปหรือรูปกับน้ำว่ามันประชุมกันแล้วมันเป็นกายอย่างไรแวงแวงนี้ว่ากายคุณก็ไปเอาทิ้งซะแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่แต่ข้างใน คำว่าปัญญาถ้าคุณเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่สัญญาคุณเรียนรู้ไม่ได้มีตรสิกขาเลยคุณมีแต่ศีลสมาธิสัญญาคุณเรียนรู้แต่มีแต่ศีลสมาธิสัญญาเพราะฉะนั้นศีลคุณปฏิบัติีนคุณไม่เกี่ยวเลยตาหูจหมูกลิ้นกาเรือว่าศีลห้าพอหลับตาเสร็จแล้วแล้วศีลจะสะอาดบริสุทธิ์เองคุณว่าง้งมันจะไปับอะไรเรา ก็คุณยังน่ะคุณไม่เกี่ยวกับอะไรเลยของคนอื่นคุณก็ไม่รู้เรื่องอจะไปร่วมไปเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายคุณก็ไม่รู้เรื่องคุณนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะคุณจะไปหโกหกกับใครคุณก็ไม่รู้เรื่องคุณไม่ได้โกกกับใครเพราะศีลธรรมของคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับความจริงทั้งหมดที่จะเป็นความจริงมันไม่มีความจริงเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติศีลสมาธิสัญญาคุณไม่ได้ปฏิบัติสมาธิศีลสมาธิปัญญาคุณไม่มีปัญญา ให้เกิดองค์ของความเป็นปัญญาปัญญาจะเกิดต้องปฏิบัติมรรค ข, งขังคะและมีธรรมวิจัยมีสมาธิที่จะไล่ตามลําดับที่จะเจริญสมาธิที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเช่นมีอา น, นิสงส์5ประการฟังธรรมแล้วก็มีเหตุปัจจัยจริงคุณตามความคิดโอ้หรือเข้าใจลึ ก, ลกหรือว่าความคิดคุณก็จะเกิดสมาธิๆๆที่ตรงขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นในข้อที่4ที่ถูกอุดชุ ง, ท, งที่ถูกอุดชุงกโลติ ข้อที่สี่ทิทก็จะตรงขึ้นตรงขึ้นเรื่อยๆในในในหมวดหของปัญญาปัญญีสีปัญญาปัญญีสีปัญญาปัญญีสีปัญญาภะและก็ธรรมะทีจ่จกสัพพโอจงสัมมาทิฏฐิมรักขังขะปฏิบัติมรักทั้งหมดมรักนั่นนะผูกคุณไว้เลยว่าต้องปฏิบัติข้างนอกมรักมีทั้งหมดคุณจะต้องเอาทั้งหมดเลย เพรปฏิบัติมรรคนี้ผิดแยกมรรคไปต่างหากสมาธิคุณก็ปฏิบัติแยกไปต่างหากสมาธิคุณก็ไปนั่งเอาตั้งแต่ในมหาจตรารีสักสูตรพระพุทธเจ้าท่านไม่ไดสอนเลยนะมหาจตารีสังกสูตรปฏิบัติมรรคเจ็ดองนี้จะเกิดสมาสมาธิแต่ก็ไม่ไม่สมาไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับสมาไม่เกี่ยวกับมรรคเจ็ดอง เป็นนั่งสมาธิเป็นวิธีปฏิบัติเป็นเหตุได้เกิดพลสมาธินี่อย่างนี้เป็นต้นมันก็เพี้ยนไป น, นี่เป็นความเห็นที่อาตมาเห็นในอะไรในราะยะละเอียดต่างๆซึ่งอาตมาจําเป็นที่จะต้องขัดแยง้งจาเป็นที่จะต้องแยง้งจําเป็นที่จะต้องพูดว่ามันไม่เหมือนกันไม่ใช่มาเอาดีเอาเด่นไม่ใช่ม า, มาแข่งดีแข่นีอวดรู้อวดฉลาดอะไรไม่ใช่ เป็นความจริงใจว่าอาตมาเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องตามธรรมประพฤติเจ้ามันเป็นความเห็นของอาตมาอาตมาก็เผยแผ่อันนี้ตามความจริงใจว่าอยากจะให้สมาธิเิอะาตมามั่นใจว่าที่ทำไปนี้พูดไปนี้อธิบายและทํางานอยู่นี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระเจ้าอันนี้เนี่ยอาตมามั่นใจว่าอาตมาเข้าใจถูกได้เจตนาจริงใจดีๆจริงเลยอ่า ไม่ต้องใจจะจะมาแย่งมาเทียงก็อะไรใครมาเบ่งมาข่มใครไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจให้ได้ว่าอาตมามาแสดงความเห็นต่างนี่ไม่ใช่อวดดีอวดเด่นเอาชนะค้าคานมาข่มกันั้นมาข่มกันนี้ไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาไม่ได้ทําให้คนนับถือไม่ได้มหาบริวารหรือไม่ได้มาเอาทํางานนี้เพื่อแลกอามิดเพื่อแลบลาบยศสันเสริญอะไรหรือไม่ได้มา แสดงธรรมะเผยแพร่ธรรมะนี้พรหมจรรย์นี้เพื่อให้คนเขาหาว่าฉันเก่งฉันวิเศษยังงนวิเศษไม่ใช่โดยเฉพาะไม่ได้มาหาบรีวานไม่ได้คนมานับถือมายืนยันความจริงของครบความเพียงของคนคนนึงใครเห็นด้วยก็มาศึกษาตามดูใครไม่เห็นด้วยคุณก็เอาไปตามท่งคุณไม่มีปนนัญหา อ่ะเอาละได้แค่นี้หมดเวลาจะตอบประเด็นละจะว่าเป็นเป็นพยาธิทุกมันก็หาเหตุของความเป็นพยา พยาธิความเป็นโรคไม่เจบนนั่นคุณเธอนี่บอกว่า2องทุ่มนะจ๊ะอ้าวก็มันเป็นไร2องทุ่มก็สองทุ่มอาวก็บอกจะพักแล้วไงไม่ได้ดึงอะไรหรอกไม่ต้องมาบอกซืบทัพ <c oughs> ไม่ไเขาไม่ด้ไปรู้เรื่องเราคบเขาก็ว่ายาวไปเงินแหละพูดเล่นไปนะ เอาเราไว้ค่อยอธิบายต่อมันต้องอธิบายต่ออย่างนี้หลายอย่างละเอียดอาตมาเหมือนละเอียดก็ละเอียดนะอาตมาว่าอธิบายละเอียดไปเรื่อยๆตามความเข้ า, า, าใจไปตั้งใจศึกษาเราจะได้รู้สุขุมปณิ ส, สุดสู้สร้างรัะเตปัญญ์ฟังด้วยดีได้ปัญญาถ้าฟังด้วยโทสะหรือฟังด้วยความเพ่งโทษฟังด้วยความไม่ชอบใจไม่ได้หรอกปัญญาเ อ, <c oughs> อาตอนนี้ตอบ ป, ประเด็นอบอกอีกทีนึ่งสำหรับผู้จะส่งประเด็นเข้ามามีโทรศัพท์สองเบอร์ แต่ผู้ส่งประเด็นมานอนี่ยังน้อยเลยเนนี่สองสาคนเอง<ม>อเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งเข้ามาคือ089266 0574อหีอีกเบอร์หนึ่งก็0 8 2 4 4 3ปดสองสีอหนึ่งทวนอีกทีนึงเร็วขึ้น089266สอง 0574 0ห2 4เจ0 2ส1ศสองส่สาศสองเจดหนึ่ง้าวทีนี้ตอบผู้ที่ส่งมาแล้วอันที่หนึ่งบอกว่าของพลเรือตรีมินหัวใจบัณฑิตได้แก่สุจิปุรินั้นมีความหมายอย่างไรอ้าวความหมายอย่างนี้ สน่ะเข้ามาจากฟังสุตโสตจุตมาจากฟังจิมาจากคิดปุมาจากปุชาถามอ่าริมาจากลิคิดน่ะมีเขียนมาใส่รอเรือมาซะอย่างโก้เลยผิดมันต้องลิคิดนะไม่ใช่รอเรือรอลิงสุจิปุริไม่ใช่สุจิปุริน่ะ อที่บอกว่าทักสินอะไรแล้วริแล้วก็ปูยำไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ริตัวนั้นก็ัยแวะไปให้มันสนุกนิดหน่อย มันเป็นเรื่องจริงแล้วคนอื่นพูดไม่ใช่อัตมาพูดเรื่องนี้นะทัดสินรนแล้วปูก็ยํำอัตมาก็เอามาพูดบ้างมันก็ดูคำคำกันขันดีนมองเป็นคำคำกันขั น, นสุจิปุลิลอลิงนะสูมาจากสุตะฟังจิคิดนะจิตตะจิตังปุจชาปูมานจะปุจชาถามริคิดแล้วก็บันทึกนะ เขาบอกว่าอันนี้แหละผู้นักศึกษามีสุจิปุลิเนอัตมาว่าคุณฟังแล้วคุณก็ทำทความคิดตาไม่ดีจิตคิดตาไม่ดีถ้ามันสงสัยก็ถามปุจชาเมื่อได้เรื่องแล้วเข้าใจก็บันทึกไวลิขิตบันทึกไวเขียนไวความรู้อย่างนี้เป็นความรู้อย่างโลกีพราะเจนาไดจะบอกว่าบัณฑิตมีสุจิปุลินี่ไม่จาของพระเจ้านะ ไม่ใช่ของพระรูปเจ้าแต่พระท่านก็นชอบเอามาสอนไม่รู้ใครเป็นคนตนคิดตนนี้นะเอามาสอนไม่ใช่ของพระรูปเจ้าสุจิปุรินะเป็นโลกียะนะเอาแต่แค่ฟังเอาแต่แค่คิดเอาแต่แค่ถามเป็นกาบันทึกมันก็ได้แต่ความรู้อย่างที่เรียนในทั้งหมดสุจิปุริเก่งแต่ไม่เป็นโล ก, กุตระสุจิปุริไม่เป็นโล ก, กุตระ นะไม่เข้าถึงจิตเพราะจิตจิตตัวนี้มันจะคิดเท่านั้นเองเ ป, เป็นจิตตั้งเฉยมันไม่ได้มนละศิา ก, การมันไม่ได้มนะสิกโรติมันไม่ได้ปฏิบัติมันไม่ได้ประพฤติแล้ก็รู้นอกรู้ในรู้อะไรจะลึกซึ้งกว่านี้เยอะมันไม่ใช่โลกุตระนะมันได้จะรู้สุจิปุริในเสริมสร้างความรู้ได้มากเลยมีความหมายแค่ฟังนะแล้วก็คิดมันไม่เข้าใจก็ถาม ถามเข้าใจแล้วพิจารณาดีแล้วก็บันทึกคิดไว้จดไวเท่านั้นเองได้แต่บัญญัติทั้งหมด น, นี่คือสุจิปุริมีความหมาของอัตมานะมันอาจจะไปขัดแย้งกับปาฏอื่นๆได้ก็ไม่เป็นได้ไม่แยกไม่เถียงอัตมาก็เอาแค่อัตมาอธิบายความหมของอัตม า, าต่อมาก็น ย้อนหลังไปไม่บอกว่าใครเมื่อย้อนหลังไปเมื่อก่อนกลางปี2536กระผมนับถือพระพุทธรูปเสมือนเป็นเครื่องรางของขลังโอ้ตั้งแต่พศ .36 นะก็20ปี21ปีมาแล้วเป็นเครื่องรางของขลังแต่หลังกลางปี36ก่อนกลางปีพอถึงกลางปี36ได้มาพบสันติอโศกและพ่อทัน จึงเข้าใจว่าพระพุทธรูปไม่มีความสําคัญไม่ใช่เครื่องรางของขลังกระผมจึงไม่นับถือและไม่เคารพ อ, อีกต่อไปแต่พอเข้าใจได้ว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้าถ้านับถือก็ให้นับถือเสมือนว่าเป็นพระพุทธเจ้านับตั้งแต่กลางปีสาจนถึงบัจจุบันกระผมจะมีจิตไม่นับถือและไม่เคารพพระพุทธรูปเห็นแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยกระผมจึงอยากจะให้พ่อท่านช่วยเทศ เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธรูปให้ละเอียดด้วยครับกระผมจะได้ทำจิตให้ถูกต้องว่าจะนับถือแบบไหนเพราะตอนนี้สติสุขมีพระพุทธรูปแล้วผมเราอยากให้พ่อท่านอธิบายให้ชัดเจนขึ้นน่าเห็นใจน่าเห็นใจในตอนแรกสิ่งที่เราเองเรายัง เกี่ยวกับสิ่งนี้สัมพันธ์กับสิ่งนี้เราก็ไม่รู้เรื่องนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วมันก็มีฤทธิ์กับเราเราก็เลยเป็นหลงเราก็ไปติดเป็นงมงายกับไอ้เรื่องนี้นเช่นเราเองเนี่ยเราไปติดดอกไม้ของหอมเราไปติดกับไอ้เรื่องสัมผัสพอกทา ไปติดกัไอ้สิ่งที่ตกแต่งอย่างนุ้นอย่างนี้มากมายอตอนแรกเราถือศีลตอนแรกในขั้นต้นคุณต้องตัดขาดทุกอนเลยอัตมาสอนตอนแรกทด่บอกเอาหลวงพ่ทรูปอย่าเพิ่งไปยุ่งเกี่ยวอย่าเพิ่งไปยุ่งเกี่ยวก่อนเลยลากไม้ที่จุมในยางออกจากน้าก่อนเลยเสร็จแล้ว จนคุณเข้าใจขึ้นมามีภูมิฟุ้มกันมีความรู้พอสมควรว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่ของจริงเลยเป็นสมมติสัจจะเป็นสิ่งแทนเป็นสิ่งที่เราแทนนับถือจะเป็นรูปวาดจะเป็นรูปปั้นจะเป็นรูปหลออะไรก็แล้วแต่พระพุทธรูปนะั้นไม่มีใครรู้จักรอกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นรูประารยังไงนะ ไทยปั้นก็หนาเหมือนเชิงไทยจีนปั้นก็เมือนหน้าจีนญี่ปุ่นปั้นก็เมือนหน้าญี่ปุ่นนะอินเดียปั้นก็เมือนหน้าอินเดียอ่านะฝรั่งไม่ได้ใครได้ปั้นแต่ฝรั่งปั้นก็คงจะเป็นแบบโครเอเชียนนะีน่โกรปั้นก็เป็นนิโกลเลียนไปอ่านะนะก็มันก็ตามแต่พบของใครพบของมันก็สร้างเอาเอง มันก็ไม่ไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าแท้หรอกแต่เราก็เข้าใจใช้ปัญญาว่าอันนี้เป็นสิ่งแทนว่าเป็นตัวแทนของในโลกนี้เรามีพระพุทธเจ้าจริงเหมือนคนเหมือนเราแต่มีลักษณะพิเศษก็เลยเกิดอเดอริสติกเกิดปรุงแต่งก็อยากจะให้มันดูพิเศษมันดูอะไรอะไรต่างๆนานาก็ปรุงแต่งกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยเหมือนคนจริงเท่าไหร่แต่หน้าตาหูตาจมูกลินกาใจมีแคนมีขาเหมือนกัน แต่มีสิ่งอะไรที่คิดว่าอย่างนี้สวยดูดีเขาก็ใส่เข้าไปรับศิลปินแต่ละคนเขาก็ปั้นเขาก็ประดิบประดอยไปสรุปแล้วพระพุทธรูปทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรจริงเลยของพระพุทธเจ้าจริงเลยแต่เราก็เข้าใจด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้ เ, นเป็นสิ่งแทนเหมือนรูปถ่ายพ่อรูปถ่ายแม่ที่เราก็รบบนับถือเราก็บูชานะ ล้วก็เคารพนับถือว่านี่เป็นสิ่งแทนของเรานั้นเป็นคนมีจริงรูปถ่ายพ่อพ่อเราจริงรูปถ่ายแ ม, แม่แม่เราจริงเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายไม่ใช่ของจริงนะเอาละมันอาจจะเหมือนแต่แม่ไม่เหมือนเาก็เขียนเขียนรูปนี้ขึ้นมาก็บูชาเคารพกันได้อย่างนี้เป็นตน้นไม่ใช่เขียนเลยตอนนี้ปั้นเลยเป็นรูปเป็นร่างเลยปั้นรูปใหญ่ลุมเล็กอะไรจนกระทั่งกลายเป็นรูปจิตเดียวอะไรมนอู สารพัดสารเพไปเลยก็ถือว่าเป็นรูปของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งแทนที่ในโลกนี้มีบุบรุษผู้หนึ่งเป็นเอกกะบุรุษที่เขามาประกาศทฤษฎีนี้ของาศาสนาพุทธเป็นเรื่องจริงแล้วก็เอามายืนยันเป็นเรื่องจริงต่บเคารพเพราะเนื้รักษณะที่เคารพนี่เราไม่ได้ไปเคารพเพราะมันคลัง แล้วันกับรนดาเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์เป็นทิฏเตะที่อะไรก็ต่างๆไม่ใช่แต่เป็นสิ่งแทนท่านมีคำสอนพระอนุศาสนีท่านมีจริงและคำสอนของท่านเป็นจริงเป็นสว่าคขาจะทําเอามาเรียนได้พิสูจน์ได้หมดเลยและมันมีผลจริงด้วยเป็นผลทำให้เรานี่มันเป็นอาริยะเป็นคนพ้นทุกข์เป็นคนประเสริฐเป็นคนเจริญจริงอันนี้เป็นสิ่ง พิสูจน์ได้ยืนยันได้เพราะฉะนั้นสิ่งจริงอันนี้เราก็เลยต้องเคารพ บ, บูชาสิ่งนี้เหมือ น, นกับเราสมมุติว่าคุณเกิดมาคนไม่เคยเจอพอ่อเจอแม่พ่อแม่ตายไปก่อนคุณจะเดียสาคุณจะรู้เรื่องนัไม่รู้เลยแต่คนเอารูปพ่อรูปแม่มาให้แม้คนจะเอารูปพ่อรูปแม่มาให้นั้นเขาไม่เขาเขียนมาแล้วเขากระโมเ ม, ม, ม, ม, ม, มบอกว่านี่รูปพ่อของรูปแม่คุณเขายืนยันไว่ในรูปจริง คุณก็เคารพนับถือได้ว่าเออเรามีพ่ออย่างนี้เรามีแม่เพราะคุณก็ต้องแน่ใจว่าคุณเกิดมามีพ่อมีแม่อันนี้เป็นต้นนี่ศาสนาพุทธก็ต้องมีเจ้าของมีผู้นําออกมาประกาศเป็นของจริงนะก็เท่านี้แหละแล้วเรียนรู้ตามเนื้อหาคําสอนพระเจ้าให้ตรงแล้วก็ให้เดกเกิดได้มักผลตัวเองไอ้เกิดมักผลของตัเงตเนอตเองก็ประเสริฐแล้วก็จะได้ผลจริงอย่างนั้นเพราะการเคารพนับถือพระพุทธรูป ต้เคารพอย่างนี้ก็ขอที่บาขยายความต่อไปอีกนิดหนึ่งทีนี้สิ่งที่ยืนยันจริงที่ว่านี้เขาก็มีสิ่งอีกสิ่งหนึง่งคือพระบรมสารีริกธาตุก็มาเถียงกันอยู่ทุกวันนี้โอ้นี่พระบรมสารีริกธาตุจริงหรือเปล่าถ้าจริงที่จะเอาไม่จริงไม่เคารพของปลอม เขาไม่จริงไม่ใช่ปุ๊บสร า, ส ร, าส ร, รีฤทธาไม่เอาอัตมาก็เลยมาอธิบายว่าแล้วพระพุทธรูปนี่จริงหรือเปล่าคุณเองคุณเคารพพระพุทธรูปได้นะแล้วคุณจะได้พระบรมสารีฤทธาในไปสักองค์คุณก็บอกว่านี่ต้องจริงนะไม่จริงนะทัทง้งทั้งทีมันลักษณะพิเศษอยู่นะอาจจะจะเป็นบารมีสารีฤทธาเขาต้องมีลักษณะพิเศษอะไรอยู่เนี้ยสมมุติแทน แม้จะไม่ปั้นเป็นรูปร่างหน้าตาขึ้นมาส ม, มุติเป็นเหมือนคนแต่บอกนี่มาจากส่วนหนึ่งของพระอัจิมาจากกระดูกพระพุทธเจ้าเหมาือนเถอะคุณก็ยังมาบอกว่าต้องของจริงถึงจะเคารพของไม่จริงเคารพบุคุณเคารพระพุทธรูปคุณเคารพได้ทําไมจริงหรือเปล่า พ, พุทธรูปนี่ของจริงเหรอก็ไม่จริงทางนั้นคุณยังเคารพบได้เลยก็นี่ก็จะคุณว่าพระพุทสารือลิขตาของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันคุณก็ไม่รู้ ในนี้เป็นต้นมันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ละเอียดซับซ้อนไปมั่งนะสรุปแล้วการนับถือพระพุทธรูปนั้นการบูชาพระพุทธรูปนั้นอาตมาเริ่มแรกคลากมาที่ชุ่มเนย่างก่อนไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวพอมีภูมาทำแลรตอนนี้เราก็จะมีพระพุทธรูปเจตนาขาองอาตมามามีพระพุทธรูปนี้ก็คือ เมื่อคุณมีพื้นฐานแล้วว่าอ๋อเคารพพระพุทธรูปอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นอาตมาก็เอาอนนี้มาสอนพวกเราแล้วก็นําพาผู้อื่นมาเคารพไม่ต้องเคารพอย่างที่อื่นเขาถือเป็นครังบูชาเคารพมีดอกไม้ถูบเทียนมาจุดมาอะไรเลอะเทอะไปอีกแล้วก็มากราบเคารพ บ, บูชาอ้อนวอนเราก็เลยสอนว่าไม่ใช่มาอ้อนวอนแต่ระลึกถึงคุณของท่านมาตึกถึงความจริงว่าสิ่งนี้จริงเพื่อ ศรัทธาเริ่มใส่พื่ปลูกศรัทธาเริ่มใสว่ามีที่ยึดที่เกาะเป็นธรรมรูปไทยเชลยว่าเป็นธรรมรูปอันหนึง่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเข้าใจผิด พ, พ, พระพุทธรูปหรือพระเครื่องพระอะไรเป็นของเครื่องรางของขลัข ง, งไปนับถือเพี้ยนไปนับถือไปเป็นของขลัง เป็นอิทธิปาฏิหาริยเทศนาปาฏิหาริย์เป็นเินเบันดนบนดาญอย่างง้นอย่างนี้อันนั้นแลพระพุทธเจ้าท่บริพาทท่านบริพาทอยู่ในพระเถรปิฎกเล่มกาวเกวตตสูตรท่านบริพาทว่าท่านเบื่ออัตยามิรายามิชิกุชามิเบื่อรเกลียดชังาละอาอไอ ปฏิหารอิทธิปฏิหารนาเทศนาปฏิหารต้องเรียนรู้ตามคําสอนอันนั้นนะ่ะปฏิหารอ น, น่ะมันเป็นปฏิหารคุณถือศีลแล้วก็ทําให้กิเลสลดได้โอ้อันนี้เป็นปฏิหารให้กิเลสลดได้ถือศีลกิเลสลดได้เนีน่เป็นอาไปปฏิสานเป็นปาโมชับเป็นอะไรอะไรไปจนกระทั่งถึงวิมุตตินี่อย่างนี้นะ่ะก็เป็นปฏิหารเรียนให้ถูกให้ตรงแล้วก็ศีล ทำพาให้เป็นบาตรฐานหรือว่ากรรมฐานเป็นฐานะในการปฏิบททัติธรรมได้แล้วก็จะพาคุณไปไปตามฐานะนี่ศินห้าก็โสดาบันเป็นศินห้าเป็นกรรมฐานก็ล้างกิเลส ต, ตามนี้ขนาดนี้กรอบนี้อย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วเรื่องที่ไปเข้าใจความขลังแล้วก็มีนิมิเดชเป็นอิทธิปาฏิหาริยะเสนสมาแต่อาสนาปาฏิหารนั้นจะเป็นพระพุทธรูป ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นพระเครื่องยิ่งใหญ่ขนาดไหนคายกันราคาทั้งร้อยล้านถ้าไปเคารพแบบนั้นน่นนะนอกรีธพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นนะนอกรีดหมดนะนี่ก็คือเรื่องของพระพุทธรูปนะเพราะที่เรามีพระพุทธรูปอยู่นี่ก็มีเรามีพื้นฐานแล้วและพวกเราก็ไม่เห็นไปนคลั่งไคลพระพุทธรูปอะไรพวกเรา เราก็กราบก็รบอัตามากราบทุกวันจะไปไหนมาจะมาจะไปจะไปค้างคืนอย่างนอัตมาอยู่ที่นี่ก่อนไปอัตมาก็กราบพระพุทธรูปนะจะไปมาถึงก็กราบพระพุทธรูปไปที่โน่นที่นี่ที่ไหนพระพุทธรูปที่นั่นที่นี่เราก็กราบไม่ใช่แต่มีแต่พระพุทธรูปเราพระพุทธรูปที่วัดนั้นวัดนี้อัตามาไปถึงก็กราบนะพระพุทธรูปเขาจะปลูกเสกไม่ปลูกเสกอัตามาก็กราบเท่านั้นแหะนะนะ ก็เป็นพุทธปเป็นเครื่องแทนมันอยู่ที่ใจเรานะมันอยู่ที่ว่าเราเคารพอะไรตรงไหนอันนี้คือสมาธิเพราะอย่าพระพุทธรูปของเราที่มีเนี่ยไม่มีใครเอาดอกไม้ทูกเทียนมาบูชาแล้วก็มาอธิษฐานขออันข้อนี้อ น, อ น, น, อนอยงงวยไม่ไ ม, ม, มีเราสอนให้ถูกตามให้สมาธิิเพราะที่เรามเีเพื่อที่จะนำทำให้เคารพรู้จักเคารพรู้จักบูชานะเพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้เมื่อ ตอนแยกพากไม้ที่จุ่มดุยามมีภูมิคุ้มกันแล้วมีผลภูมิมารรมแล้วเราจึงตอนนี้เราจึงย่ว่าจะภู่มไม้จะจุ่มดยามเลยลงในน้ําเลยแล้วก็ไปเรียนดูได้เอามาเอาไมา้ลงในน้ําเลยนะพากไม้ที่จุ่มดุามยามออกมาจากน้ําก่อนพอมาในน้ำมันมีมันมียางทำํำยางแห้งแล้วได้แล้วเอาลงน้ําไปเลยไม้ที่แห้งลงน้าก็ได้แล้ว แล้วก็มือ ก, ก็กลับไปกลับมาเพราะคนไม่เข้าใจอันนี้เนี่ยเจตนาหรือว่ามีเนี่ยยะสําคัญที่ลึกซึ้งกว่ากันเข้าใจไม่ได้ก็หาว่าเป็นแล้วล้มเหลวแล้วพูดกลับไปกลับมาว่าไม่เอาแล้วก็เอาว่าไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสภาพมูลรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งที่หลายอย่างเมื่อแต่ก่อนนี้อาตมาในคลัง่งเคร่งแต่เดี๋ยวนี้เรายังกะลิงหลายหลยอย่าง ในห ล, ยห ล, ยหลยอย่างที่เมื่ก่อนนี้อาตมาละเว้นไม่ทําเดี๋ยวนี้ทําอะไรงนี้แต่อาตมาก็บอกว่าอาตมาทําอย่างนี้อาตมาไม่ได้มีกิเลสยกตัวอย่างเช่นอาตมาทิ้งเรื่องเพลงทิ้งเลยทิ้งไปแล้วตอนหลังก็อกเออพวกเราก็พอเข้าใจเรื่องเหล่านี้พอเป็นไปได้แล้วมันก็มีมุมมสีสิ่งที่เป็นประโยชน์อาตมาก็กลับไปเอาเพลงมาทําทําเสร็จแล้วก็ ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนี่ไปจะค่อยติดเพลงอาตมาเลยลองมั่งไม่ลองมั่งไม่หิตไม่ฮดอะไรสักทีอ้าวนั่นแ่ะเมื่อก็กลับไปกลับมาอต่อมาพลเรือตรีมินอีกเพราะมีความรู้ต่ำความระยำไฟใส่สูง ไฟหรือไม่หรือไปเคสตัวนี้มานี่อ่านได้เป็นทั้งตัวมอม้าไม่เอกเพราะว่าต่อกันไปทื่อไได้ถ้าไปปอปลาได้ถ้าเป็นมอมา้าถ้าจะมอม้าจะอ่านว่าไหมก็ไม่ได้ก็เลยต้องอ่านว่าไม่ถ้าเ ป, ป, ป็นปอปลาก็ไปความระยำไปสูงมันก็ไม่น่าจะเป็นผมจะเป็นไม่สูงผมมีความรู้ต่ํามีความความระยำไม่สูงอ๋อ ก็ดีเหมือนกันความรู้ต่ำแต่ความระยำไม่สูง่กราบข้อพายพ่อครูด้วยครับก็ผมมีความเคารพรักสุนัขที่นอนอยู่ข้างถนนมากมากเสียกว่าคนที่ช่อราดบังหลวงแล ะ, และเสียสัตว์ครับคุณบอกความรู้สึกคุณคุณมาไม่ได้ถามอะไรอาตมาเลยก็เป็นเรื่องของความเห็นของคุณที่จะไปรักสุนัขที่นอนอยู่ข้างถนนมากเสียกว่าคนที่ช่อราดบางหลวงแลกวก็คนเสียสัตว์ อ่ก็ดีแล้วคนก็ไว้ดีอนุโมทนาต่อมาดิฉันอยากจะรักษาศีลห้าแต่ตอนนี้ตัวเองเป็นพัญญาน้อยอเป็นพัญญาน้อยของคนมีพัญญามากตอนนี้เป็นตัวเองเป็นพัญญาน้อยของคนมีพัญญามากนะต่อให้จบงมันหมายความว่างั้งงนดิฉันอยากรักษาศีลห้าแต่ตอนนี้ตัวเองเป็นพัญญาน้อยแต่แต่งงานถูกต้องตามประเพณีอันนั้นแน่ แบบนี้จะเรียกว่าผิดศีลไมค้ก็รู้อยู่เป็นพญญาน้อยและดิฉันจะมีวิธีแก้อย่างไรคะแม่อัตมาพูดไม่ได้เลยไม่รู้จะพูดยังไงก็คุณเองสมัครใจไม่รู้นะอัตมาไม่รู้นิทานของคุณคุณไม่รู้ตัวก่อนไม่รู้ว่าเขามีพัญญาอยู่แล้วแล้วก็เป็นหลอดล้ําตัวแล้วก็แตเป็นพ ญ, ญาน้อยก็เลยต้องเป็นต่ออะไรเงี้ยอัตมาก็ไม่รู้นิทานมันเรื่องเยอะ แราเป็นนิทานเป็นนิยายนะว่านิยายเขียนตั้งของจริงของไม่จริงเต็ไมไปหมดอยู่ในโลกเนี่ยไอพรนยา น, น้อยของผู้ที่สามีมีเมีย ม, มากนี่มันเยอะเป็นเรื่องมากมาแต่แต่งงานตามประเพณีถูกต้องมันก็ทาพิธีทำอะไรหลบเลี่ยงได้ก็ไปว่ากันไปแต่งซ้อนแต่งซ้ำกันเป็นอะไรนี่ถ้าคนมันจะเอามันจะทำแล้วทำไปแล้วเถอะ อาจจะเรียกว่าผิดศีลไหมนี่คุณไม่น่าจะถามแล้คุณถามมาเนี่ยอัตมารู้อยู่ว่าคุณเองคุณก็ระแวงระแวงว่าเออมันน่าจะผิดนะนะแล้วอัตมาบอกแล้วอัตมาไม่รู้ในยะละเอียดของคุณถึงจะละเอียดยังไงคุณก็ยอมรับอยู่แล้วว่าคุณเป็นพัญญาน้อย mm. ก็แสดงว่าเขาต้องมีพัญญาใหญ่อางทีเขาไม่เรียกใหญ่เขาเรียกลวงพัญญาหลวงเขามีอยู่แล้ว ถ้าคุณเองคุณก็ยอมรับว่าเขเป็นปัญญาหลวงแล้วคุณเป็นปัญญาน้จะผิดศีลไม่ล่ะใช่ไหมแม้คุณจะอ้างมาคุณแต่งงานถูกต้องตามประเพณีก็ทําได้อ่ะแต่งงานถูกต้องตามประเพณีคุณก็ไปหาพ่อหาแม่หาอะไรผูกคอนผูกแค่แล้วมาทําพิธีโอ้โหคล้่นด้วยก็ได้ดีไม่ดีคุณทําโดยที่เรียกพัญญาหลวงไม่กล้าอิเลยก็ได้ก็มีเบ่งก็มีถมไปแต่โดยศีลธรรม แม้แต่ผู้จ้าก็บอกโผเดียวมีเดียวมาแต่ไหนแต่ไรแม้แต่สังคมไม่สังคมศาสนานอกจากศาสนาอิสลามศาสนานอกนั้นก็โผเดียวมีเดียวทั้งนั้นก็แล้วแต่จะให้มีวิธีแก้อย่างไงทมาไม่ร <N> ู <N> ้จะแนะนำยังไงถ้าจะแนะนำคุณก็เลิกเสี้ยกจะดีกว่าจะให้แนะนำ แล้วอาตมานี่ยขออภัยนะอาตมานี่อยู่ในาศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ให้ใครไปส่งเสริมแต่งงานกันดยซ้ำอย่าไปนําพาเป็นไม่สื่อไม่ชักในคนแต่งงานกันอาบัตสังคาทิเสตเลยนะไม่ใช่อาบัตเล็กๆนะอาบัตรองปรไปขรรภราชิกนะไปแนะนนะําไปส่งเสริมก็แต่งงานผิดเพราะฉะนัาอาตมาไม่ส่งเสริมแล้วว่ามีใครมานิ ม, มนต์อาตมาไปงานแต่งงานพวกเราสมณนนาของเราไม่มีใครไปรับนิ ม, มนต์แต่งงาน เรูอยู่พราะผู้จเจ้าไม่ส่งเสริมการแต่งงานนะแต่ท่านขัดไม่ได้ท่านกอนุโลมพระเดียวมีเดียวก็เอาระสุดวิสัยก็เป็นไปถ้ามันไม่แล้วก็บัณฑิตนะท่านบอกว่าผู้ตั้งตนอยู่เป็นคนโสดท่านเรียกว่าบัณฑิตผู้ฝักใยคนคู่ฝักใยมีคู่เมถุนย่อมเศ้ามองย่อมทุกร้อนย่อมทุกข์ทรมานอะไรก็แล้วเศ้ามอง ถ้าเขาตัดอย่างนี้อยู่แท้ๆคำสอนของศาสนาพุทธส่วนศาสนาอื่นก็จะส่งเสริมมีไรเมียก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันคนละอันเอา้าหมดเวลาแล้วนะนี่อา้าอันสุดท้ายหลวงปู่คะกินน้ำแดงโซดาผิดศีลหรือเปล่าคะ <c oughs> ยิ่งหน้าต่างกินน้ำแดงโซดาผิดศีลหรือเปล่า <c oughs> ไอ้หมอเปี่ยมโชคนี่ห้ามกินน้ำตาล กินน้ำตาลมันไม่ดีกินข้าวนี่ก็มีน้ำตาลแล้วนะกินพืชพันธุ์ยาหารหลาหลายอย่างก็มีน้ำตาลแล้วกินผลไม้ ก, ก็มีน้ำตาลแล้วน้ำตาลผลไม้ ก, ก็ยังดีกว่าน้ำตาลจะไปสดเอาน้ำตาลแบบนั้นนะุตโตดีกว่านะอ่ะฟุดโตดีกว่านะ อ, าอ้าวกินน้ำตาลอย่าไปกินมันมากไม่กินเลยดีน้ำตาลมันก็ ได้อยู่ในข้าวก็มีแล้วไม่ต้องหวานในข้าวในผลไม้ในอะไรอะไรมันก็มีน้ําตาลและมีในพืชหลายอย่างมันไม่ออกมาเป็นรสหวานมันก็มีลักษณะธาตุน้ําตาลธาตุที่เป็นอันนี้อยู่นะอ้าวเอาละหมดเวลาเลยเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงตัวนี้จเจริญตาม ท, ทุกคน